จรพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสิงภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาร่วมก็เชิญเข้ามาได้เราก็จะไปที่เด็กชายนักคุณเป็นํำดับแรกก่อนนะักคุณเป็นยังไงครับ สบายดีไหมนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ทสบายดีไหมคะสบายดีโซนหรือเปล่าครับขึ้ดีดีสิรงไม่นค่ะอาพูดดีดีไม่โซนก็โซนครึ่งนึงมั <c oughs> นมีง่วงค่ะดูหรือเปล่าดูเปล่าะอาจารย์ท งั้นออกมะค่ะไม่เป็นไรเจอเจอเราบอกพ่อาจารย์ว่าน้องคุณวันนี้ที่คุณบอกเป็นยังไงเด้ออ๋อเขาให้บอกพระอาจารย์ค่ะว่าวันนี้เขาเป็นเด็กดีเขาไม่ดื้อเลยค่ะ เ, คเขาทำดีสองเรื่องค่ะวันนี้เรื่องอะไรเดีข้อที่หข้อที่หนึ่งอะไรอ่ะหนูบอกเองสิเธอจะบอกดิสิแล้วน้ อ, องจะแค่เชื่อพาา่อจัยเชะ่อพ่อจย์หนูก็พูดเองสิแล้วเบอร์หนึ่งจะบอกอาจจะจําไม่ได้งั้นไม่บอกนะดึงกะชีพน้อจไปบอกค่ะ โอเคค่ะไม่มีอะไรนอกจากอากาศพระอาจารย์อ่าค่ะพระอาจารย์แล้ววันแล้วลวันนี้เราจะเกษียณก่อนโอเคค่ะ okay, ค่ะโอเคค่ะค่ะเขาให้เรียนพระอาจารย์กับว่าเขาเชื่อฟังคุณครูค่ะแล้วเขาก็ช่วยเพื่อนที่ลืมของเขาวิ่งเอาไปให้เพื่อนค่ะดีมากดีมาก ค่ะทำทาความดีต่อไปน ะ, ะ okay. แล้วก็แล้วก็นาวัตถุแล้มนำนวัตถุค่ะโอเคพอแล้วก็ลูกพายสวายใจแล้วอ๋อค่ะค่ะบอกค่ะอ๋อบอกให้ค่ะค่ะแล้วก็เขาก็ปลอบใจน้องคนที่ร้องไห้ลูกหัวเขาค่ะน้องเขามาใหม่มคุณจะลูกหัวเขาให้เรียนค่ะเพราะเขาทำความดีค่ะอืม ขอใหนทําทำความดีต่อไปนะไม่ต้องรอรับรางวัลนะพอทำก็พอทาความดีเพื่อความสุขใจนะอูค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะโอเคไม่มีก็จะได้ไปที่ธรรมะกัจจที่ต่อธรรมะกัจจที่กราบธรรมศาสดานพระอาจารย์ครับวันนี้จะมา รายงานการนั่งสมาธิแล้วก็ส่งกันว้านครับอืมเป็นไงบ้างรายงานมาถ่าย ต, ต, ตอนนี้ก็คือจาก25นาทีเพิ่มขึ้นเป็น30นาทีแล้วครับ อ, อืมเองมากที่มันจะเพิ่มไปอีกไหมเพิ่มครับแล้เพิ่มแลาวดีขึ้นไหมดี้นครับเป่นความสุขมากเลยนะครับโอเค ยิ่งนั่งนั่งนิ่งได้นานเท่าไหร่เรายิ่งมีกําลังสู้กิเลสได้มากขึ้นสู้กิเลสนะความนิ่งนี่แหละที่ยาวชนะกิเลสได้เนิ่งเฉยเฉยเห็นอะไรก็เฉยได้ยินอะไรก็เฉยใครจะด่าก็เฉยนร่างกายจะเจ็บก็เฉยถ้าเรามีสมาธิมีความนิ่งแล้วเราสามารถที่จะ อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่าไม่เดือดร้นอนครับโอเคพยายามฝึกไปเรื่อยๆจัดดี้ด้วยป่ะด้วยครับตั้งด้วยกันอเปล่าตั้งด้วยกันครับอเออพยายามตามพี่เข้าไปนะท้าไม่ตามพี่ เ, เดี๋ยวพี่เขาติ้งหานะครับอโอเคจะส่งกันมากต่อเลยใช่ไหมใช่ครับอ่วาวมาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะโลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะโลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะโล่งพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของและของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเ ร, เรามีกรรมเป็นของของตน ม, มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนวเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่เพื่องาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนัน้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทวนเถิดทำไว้นะของจริงของแท้นะถ้าเป็นทองคํำก็ทองแท้นะมันต้องมาโวยวายกันบ <laughs> อบเออนะเอ่อ แล้วก็ทานร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกยื่นในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับทางผิไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายื่นในสมองศีรษะน้ำดี น้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ฟอน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดี เนอสมองศรีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส่น้อยใส่ใหญ่ปอดไตถางผิดตับหัวใจมา้าเนื้อในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมไม่ใช่ตัวเรานะใช่ไหมไม่ใช่ัเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นผมคนเล็บฟันใช่ไห ใช่ครับเราเป็นอะไรอ่ะจิตอ่าเราเป็นผู้ใช้ผู้คิดผู้รู้นะผู้สั่งในร่างกายทําอะไรต่างๆคต่างร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายพยายามแยกผู้รู้ผู้คิดออกจากร่า ง, างกายจะได้ไม่ทุกเวลาร่างกายเป็นอะไร คิดว่าเขาเป็นคนรับใช้เราอืเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปทําอะไรต่างๆแต่วันหนึ่งร่างกายก็ต้องขอพักไม่ไหวแล้วแก่แล้วเจ็บให้ได้ป่วยอาจจะต้องขอลาออกจากงานไปอ่ามันต้องพร้พอมพร้อมให้เข้าไปนะเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาอยู่เราจะทุก ครับโอเคนะคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับไม่มีไปที่ตะวันต่อกราบพระพุทคุณพระอาจารย์ครับตะวันนตแลนมีอะไรบ้างวันนี้อวันนี้มีอะไรที่เออยากกระถามพระอาจารย์ครับอ่าว่ามอะไรสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์รู้ล้วผมจะรายงานอะไรพระอาจารย์พระอาจารย์ ก็ใช้ supernormal power ไหมลอกใช้ super ดาว super ดาวพระชายเขาใช้คำถามอ่า n o c t u r n ไหมคะพระชายใชถามว่ามีมีมีอภินยาบ้าคือก็คือ ปกติเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะจะไม่ถามว่ามีอะไรจะรายงานไหมใช่ไหมปกติพระอาจารย์จะไม่ถามสัปดาห์ที่แล้วนี่นคือเขามีมเรื่องที่จะรายงานให้ให้พระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะมพระอาจารย์ก็พูดเอ่อพูดขึ้นมาว่าอ้าวมีอะไรจะรายงานพอ<ม>ออกจากออกจากซูบูมเขาก็ถามโยมาค่ะว่า<ม>เอ่อแม่ครับพระอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าผมมีมีอะไรจะรายงานพระอาจารย์มีซูเปอร์พาวเวอร์ไม่มีหรอกก็เดาพูดไปเรื่อยๆก็ถามพวก จะแม่กับเจ้ที่เสร็จก็มาถามตะวันต่อนั้นเองนะไม่มีอะไรเราเป็นคนธรมนธรมดาคนธรรมดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอะไรทั้งนั้นขอทานกินไปวันวันหนึ่งอ่าไม่มีอะไรไหมตอนนีครับทแล้วก<ห>็วนะอาจารย์จะการรู้ทันกิเลสของตัวเองกับการรู้ทันกิเลส ของคนอื่นนี่จัดเป็นฤทธเดชไหมคะพระอาจารย์แบบอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นเป็นปัญญาที่เราต้องมีเพื่อกำจัด ก, กิเลสถ้าเราไม่รู้ทางกิเลสเราก็สู้กิเลสไม่ได้แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นฤทธเป็นเดชอะไรเป็นเป็นปัญญาที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาในยการเจริญสติให้ให้รู้ทุก ตามขึ้นมายของจิตว่ากำลังคิดเรื่องอะไร mm hmm. ถ้ารู้ว่าเป็นกิเลสเราก็จะได้หยุดมันได้จะรูว่เป็นกิเลสก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิก่อนเพเวลาเรามีสมาธิเวลากิเลสไม่ทำงานจิตจะจิตจะไม่วุ่นพอกิเลสเริ่มทำงานพระจิตจะกระเพื่อมมานันที นจะสังเกตได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกิเลส ต, ตัวไหนไม่เป็นกิเลสความอยากแบบไหนเป็นกิเลสความอยากแบบไหนไมเป็นกิเลสนี่เราแยกแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะรู้เ่าความอยากที่เป็นธรรมมันจะไม่ทำให้ใจกระเพื่อมือแต่ความอยากที่เป็นกิเลสมันจะทำให้ใจกับเพื่อมใจรอยขึ้นมาทันทีสมาธิสาคัญในการที่จะใช้ปัญญาเพื่อ เพื่อทำลายกิเลสถ้าจิตไม่สงบไม่นี่งมันไม่รู้ว่า อ, อันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นกินเลสเพราะมันร้อนอยู่ตลอดเวลาใจมันร้อนอยู่แล้วใจ น, นี้ไม่มีสมาที่มันร้อนอยู่แล้วเออยทำอยากร้อนขึ้นมาก็ไม่รู้่ามันร้อนเพิ่มอแบบนี้คือถ้าเราคอยมีสติกำกับ เอความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําของเราดูว่ามันมีกิเลสตัวไหนปนเปื้อนเข้ามาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์เราก็หาทางคําจัดอันนี้ก็ถือว่าจากเมื่อก่อนที่ไม่รู้ไม่เห็นพอเอทราบตรงนี้ขึ้นก็แปลว่าเราก็มีความก้าวหน้าในทางปฏิบัติขึ้นมาใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ารูาถา้ถ้ารู้กิเลสมันก็แสดงว่าเรามีรู้ทำเห็นอริยสัจ น, นะเห็นสมุทยัยเห็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรา แต่ปัญหาคือเราไม่รู้เลยมันเราทุกข์แทบเป็นแทบตายไม่รู้ว่ามันเกิดจากกิเลสของเราเรากลับไปโทษสามีเราไปทําให้เราทุกข์เดินจนได้ครับท่านาตัวอย่างมันต้องมันก็นองกลตัวเลยมันถเงจะต่อใจใช่ไหมเราต้องไม่ทุกข์กับเขาเขาจะทําอะไรมันเรื่องของเขาถ้าเราไม่มีกิเลสเราจะไม่ทุกข์ เราทุกเพราเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาอ่าพระอาจาร์คําเมื่อคืนนิยมก็กราบเทา้าคุณมาโกนะคะภาษาเมื่อคือนเมื่อคืนมาค่ะกราบค่ะพระอาจาร์ก็ดีมีความเคารพกันอยู่ด้วยกันให้ความเคารพต่อการความเกรงใจค่ะก็คือว่าถึง อมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกแล้วแต่แต่ว่าบางเรื่องอที่เราอาจจะพูดพั้งเถืออะไรออกไป น, นี่ก็คือว่าเหมือนกับว่ากราบขอขอมาเขาแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อืมก็ดีการขอก็เป็นการลดอัตราตัวเองด้วยเจพาพา้าค่ะพระอาจารย์ใช่สำนึกผิดนี่เป็นคุณธรรมที่ดีว่าเราจะได้ไม่ไม่ทําซ้ำ อ, อีกค่ะต่างคนต่างกราบซึ่งกันและกันค่ะพระอาจารย์อ่าก็ดีอย่างเจ้าตะวันนี่เขาก็กราบพ่อแม่เขาก็กราบพ่อแม่ก่อนนอนค่ะพระอาจารย์ บางทีเขากลับไปเมืองไทยเขาก็กลับทั่วเลยค่ะพอาจารย์กลับลุงกลับกลับอะไรกลับคุณคุณยายกลับคุณลุงเขาก็กลับไปทั่วเลยค่ะพอาจารย์เดีการอ่อนน้อมทำตรงนี้เป็นบันบุญเป็นกุศลทำแล้วสุขใจคนที่เรากล่าวเขาก็มีความสุขใจผลถูกกล่าวมียิ้มแป้นเลยค่ะอไม่เหมือนเด็กสมัยนี้บางทีแข็งก็ได้กล่าวไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอน เด็กที่โรงเรียนก็ไม่สอนศีนธรรมแล้วใช่ไหมในเมืองไทยก็เลยเด็กก็เลยกลายเป็นลิงใไ่ทําไมนี่ทีก็หลั่งนี่ก็ไม่มีนะคะพระอาจารยที่นี่ก็ไม่มีเรื่องศีลธรรมก็อ<ๆ>เอาแบบฝรั่งมเองฝรั่งก็เป็นลิงก็เลยอยากจะเป็นเป็นลิงเหมือนเขาแต่ว่าวันนี้มีมีดีอย่างหนึ่งนะคะพระอาจารย์ที่โรงเรียนที่เนี่ก็คือว่าเด็กป .6 เนี่ย อย่างวันนี้เจ้าตะวันเขาได้ อ, อคือเขาจะให้เด็กป .6 เนี่ยไปเดินตามบ้านไปขอรับบริจาคแบบเนี้ค่ะพรอาจารย์เป็นบุญฤทธิ์เกี่ยวกับช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหานะคะพรอาจารย์เจ้าตะวันก็ไปกดกิ่งตามบ้านแล้วก็ไปขอรับบริจาคมาก็ได้เงินมาพอสมควรกับไปกับเพื่อนคะ่ะพรอาจารย์อก็เป็นฮอลลวีนฮอลลวีนแต่ทนทีจะเป็นขนมก็จะได้เป็นเป็นเงินยูโรแยนค่ะอาจารย์เอามาทําทําประโยชน์ทําบุญทําทานช่วยเหลผู้ตกทุได้ยา ในวันตอนนี้ที่เมืองไทยเราก็ตอนนี้ช่วยกันส่งข้าวของของกินของใช้ให้คนที่น้ําท่วมกันเมืองไทยเราไม่ต้องไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลารู้กันที่ไหนเดือนล่านี่มูลนทิธิใดต่างๆเริ่มออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยอบุคคลต่างๆเมืองไทยเราดีตรงนี้ยังมีใจบุญกุศลอยู่เยอะคนใจบุญทําบุญทําทางกันอยู่เยอะ ขอทานเพื่อแฝดกันกามาประเทศไทยเยอะใช่ไหมคะพระอาจารย์พวกขอทางก็เลยแผดกันมาที่ประเทศไทยเยอะก็ไม่ว่าคนไทดกินแล้วเดี๋ยวร้านก็ช่วยเข้าไปเราช่วยได้ก็ช่วยไปไม่เสียหายหรอกสร้างความเป็นมิตรเนี่ยถ้าเราแผ่เมตตาแล้วเขได้รับความชืยนแล้วอย่างเราเขาก็จะเป็นมิตรกับเราเขาจะไม่คิดทําร้ายเราเป็นการสร้างบารมีด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์มู้สึกาเมตตาบารมีทานบารมีอืม ที่นี่ก็มีคนรายบ้างค่ะอาจารย์เขาจะมามาขายหนังสือพีมาอะไรแบบนี้ค่ะอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้แต่ว่าเจ้าตะวันเขามีเขาก็ให้ไปแบบว่าก็คือให้ไปสองยูโรบ้างสมยูโรบ้างแบบเนี้ทำทานไําทำเงินทำทานไ้ไม่มีใครอยากจะมาขอทานหรอกแต่บางทีชีวิตมันตกอับมันไม่มีทางไปจะให้เขาไปขโมยเลยใช่ไหม แต่คนที่เขาไม่อยากจะให้ก็เคยเคยได้ยินคนที่เขาบ่นนะคะว่าทําไมมีมือมีทางไม่ไปทําอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เขาก็เลยสร้างเหตุผลขึ้นมาเพื่อตัวเองจะไม่ให้แบบนี้โยงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ครับส่วนใหญ่เขาตัดนิยแล้วเขาถือว่าเขาเสียเปรียบเพราะทางานแทบเป็นแทบตายเหนื่อยๆพวกนี้ช่วยโอกาสเองได้มาอมขอทานเขาก็เลยลังเกียดคนแบบนี้ แต่เขาไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดตัวเ้าตกอยู่ในที่อย่างนั้นบ้างยาเขาจะรู้สึกอย่างไร mm hmm. อาจจะมีบ้างคนที่ขี้เกียจคนที่เอไม่ดิ้นรนหวังที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะเป็นขอทานกันใช่ค mm ่ hmm. ะนั่นเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นเราไม่สามารถแยกแยะได้เราก็ทําไปแล้วกันเ mm hmm. ห็ใครทุกยากเดือดร้อนว่าช่วยเข้าไป มันก็ไม่เสียหายลงไปมากมายเลยก็ไม่ได้เหมือกับสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยการทำบุญสองสามยูโรอะไรใช่ค่ะแต่มันก็มีนะคะพระอาจารย์ที่เห็นออกข่าวว่าขอทานแล้วเขาวันวันนี้เขาได้เงินกว่าคนที่ที่ปกติอีกแบบเนี้ค่ะมันกาว จ, จะเกิดความอิจฉาหรือเปล่าว่าวิธีทำไมมาขอทานได้เงินเยอะกว่าเราอีกเข้าต่อไปเขาก็เลยไม่อยากจะให้แบบเนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ก็เรื่องของเขาเท่านั้น ถาเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องอัุโมทนาว่าเป็นบุญของเขาบุญบารมีของเขาเราไม่ต้องทํางานแบบไปออฟฟิศอะไรแบบนี้หรือไปเจ้าของกิจการเขาเขาเได้แต่มันเป็นทุกคนหรือเปล่ามันเป็นทุกคนขอทานแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่เห็นบางที้หน้าตาเขาก็สงสารนะคระเพราะหน้าตาเขาเหมือนผิดรูปหรือแบบประสบอุบัติเหตุอะไรมาแบบนี้บางทีไม่ต้องไปคิดมากก็ขาช่วยได้ก็ช่วยเจ้าขาพระอาจารย์ก็สรุปอยู่ที่ใจของคนให้นะว่า ห่วงหรือไม่หวงตนหนีไม่แม้ตันหนีถ้าตันหนีหัวเงินมันก็จะมีเหตุผลร้อยแปดจริงๆค่ะระอาจารย์จริงจค่ะจริงแต่คนที่ใจบุญนี่เขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรเขาเห็นใครทุกย่างเหนื่อยแล้วาก็ช่วยไปให้ไปพระอาจารย์ขอยอมยังขอถามเพิ่มเติมไหมไหมคะคือว่าเรื่องเรื่องการขอนี่ค่ะก็คือว่าอพระพุทธเจ้าเอไม่ให้พระภิกษุเนี่ย ขอใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นคาราวาสเนี่ยก็ขอได้ตามตามเหตุตามผลใช่ไหมคะพระอาจารย์ทีนี้อย่างสมมุติว่าเ อ, อสมมุติถ้าโยมได้ลาบมาเป็นเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็โยมก็เอาไปแจกญาติที่น้องใช่ไหมคะอืแจกแบ่งถือว่าแบ่งแบ่งแบ่งลาบที่ได้มาแบ่งให้ให้ให้แต่ละคนแบบนี้ค่ะทีนี้เ อ, อวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีคนที่รู้จักเนี่ยเขาคงจะได้ข่าวมาว่าโยมว่าว่าว่าโยมแจกเงินเขาก็มาหาโยมที่บ้าน แล้วก็เอาอาหารใส่ใส่ใส่ถ้วยมาให้แบ่งปันโยมแบบนี้ค่ะ mm hmm. จีนี้ว่าอโยมก็รู้สึกว่าคงอยากจะมาเอาเงินบ้างแต่แบบเหมือนมีพิรุษว่าคงอยากจะได้เงินบ้างอะคะ่ะเพราะว่าเห็นข่าวว่าโยมโยมแจกเงินไปใช่ไหมคะ mm hmm. แต่เขาไม่พูดตรงๆนะคะพระอาจารย์เขาก็ทําเหมือนกับว่าเอ่อเอาอาหารมาให้แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวโยมก็คงให้เงินเข้าไปอะคะ่ะพระอาจารย์ แบบเนี้ยสมควรให้ใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่ายังไงคะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนมาแบบเป็นบรรยาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ได้กล้าขอตรงๆอะค่ะก็เลยแบบเหมือนเป็นนักบุญเป็นภาพนักบุญว่าเอาของมาให้แต่คือใจจริงๆแล้วอะก็คือเป็นโลภอยากจะได้เงินบ้างอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เราเราอยากจะให้ก <mm ็ไม่อยากให้อยากให้ก็แล <mm ้วแต่ก <mm ็จะมีบรรยาหรือไม่มารรยาก็เลยของเขาค่ะ เราถืว่าเป็นโอกาสที่เราได้สร้างบารมีสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีจะมาในรูปแบบไหนก็คือว่าเขาล้าแต่เขาพยายามารแต่แต่ถ้าหุ้ใจเราตอนนั้นใจมันไม่พอใจขึ้นมานิดหนึ่งเอ๊ะทำไมไม่กดตรงๆทําไมจะต้องมาแบบไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันมันก็เขาเขาไม่ได้ขอก็ไม่ได้คู่อะไรเราไปคิดเขาเองว่าเขาอยากจะได้ อาจะไม่อยากได้ก็ปกติเพราะอาจารย์ก็คือว่าปกติกไ็ไม่ไม่ไม่เอาอาหารมาให้นะคะแต่พอเหมือนกับว่าพอแจกเงินปุ๊บอ่าลูกเขาปุ๊บเอาอาหารมาให้เลยอย่างเงี้ยอแล้วก็ไม่ต้องให้เขาก็ได้ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ขออะไรเราเ <c oughs> ขาก็ไม่ได้บอกเขาอยากจะได้เลยแต่เขาอาจะรู้จักนิสัยเราว่าแบบเออเรามาก็คงอยวให้อะไรอย่างเงี้ยพระชาจนรย์ก็เลยกนี่ว่าถ้าจะรู้ใเมื่อะแล้วแต่เราแล้วแล้วควรจะพูดไหมคะว่าเป็นทานองรู้ฐานมาอ๋องั้นงั้นครั้งต่อไปไม่ต้อง ไม่ต้องลําปากทำอาหารมาให้ก็ได้อโทรมาหาแล้วก็เออยากได้เงินเดี๋ยวเดยวก็ให้เรื่อย่างเงี้ยต้องต้องพูดดักเขาไมคะหรือว่าก็ไม่ต้องพูดแบบไม่ควรไม่ควรไม่ควรไม่ควรผู้ว่ารู้ทันใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะไม่รู้ทันก็ได้อาจจะเขาพอดีนึกวันนี้วันวันดีก็ดีเขาก็อยากจะมีอะไรมาแบ่งให้เราบ้างก็ได้อมองโลกในแง่ดีบ้างอย่าไปมองโลกในแง่ได้ มันจะพอหมอพอเจาะอะไรขนาดนั้นเลยเขาบอลลงขึ้นมาแล้ว อ, อาหานมาให้ก็ไม่เป็นไรมันทุกอย่างมันอ๋อ <c oughs> แต่ไม่ควรจะพูดว่าเรารู้ทันใช่ไหมคะพระอาจารย์มันอาจจะจริงนแต่ว่ามันมีพี่รุษมันมันน่า จ, จะใช่เราเรารู้ก็รู้ใช่ไหมไม่ต้องไปบอกเขาด้วยอเราไปบอกเขาใช่ไหมคะพระ <c oughs> อาจารย์รู้ก็รู้ใช่ไหมแล้วทำไมคนมันไม่ชอบรู้ทันไม่ชอบให้คนอื่นรู้ทันเหรอคะพระอาจารย์บางทีแบบมันทําไมครับมันจะไม่พอใจหรือยังไงคะพระอาจารย์คือโยมไม่เข้าใจว่า เอ่อมการที่ไม่กล้าพูดแบบตรงไปตรงมามันมันยังไงมันเป็นภาพลักษณ์หรือยังไงคะพระอาจารย์เพราต้องรักษาภาพลักษณ์หรือยังไงคะพระอาจารย์ก็สุดแท้แต่แต่ละคนก็อาจจะมีชะตาของเขาเขามีเหตุผลของเขาอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คนเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเขาเคยมาขอขอมาทํางานกับโยมาคะ่ะเคยเคยโทรมาปรึกษาแล้วก็อยากจะมาทํางานที่ฮอนแลนด์ใช่ไหมคะพระอาจารย์ ทีนี้เขาก็มีแฟนอยู่แล้วโยมก็ถามเ้าไปว่าเออแล้วได้บอกแฟนไหมว่าว่าจะมาเขาบอกว่ายังไม่ได้บอก mm hmm. อ่าโยมก็แตะยมคิดแล้วว่าถ้ามาเดี๋ยวต้องมีเรื่องปวดหัวแน่ๆเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกปฏ mm hmm. ิเสธไปแล้วก็ก็เป็นความจริงด้วยที่ว่ามาทํางานไม่ได้มันต้องมีวีซ่าอะไรมาอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่เขาอยากจะมาทํางานต้องการใช้เงินเนี่ยก็คือว่าอ่าเขาก็เขาก็เล่าเหตุผลให้ฟังใช่ไหมคะโยมก็เลยเอ่า พังปากออกไปค่ะพระอาจารย์ว่าอหนูก็อยากมากสิเขาก็เลยไม่พอใจเจ้าค่ะว่าจะยกยมหยุดอหลุดพั้งปากพูดออกไปว่าก็ก็อยากมากสิยมหลุดพูดออกไปแบบนี้เขาก็เลยออพูดกลับมาเป็นทํานองไม่พอใจว่าทุกคนก็อยากทั้งนั้นแหละจะอยากมากอยากน้อยอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะโยอมเราให้พระอาจารย์ฟังเฉยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าค่ะ ก็คนนั้นก็มีหลากหลายสไตล์ก็เป็นเรื่องของเขาไปถ้าถามใดเราเขาไม่ได้มาทําให้เราเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรแต่มันมันทางปากไปจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่คําพูดว่าอยากเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคําที่ทําต่อว่านะคะพระอาจารย์อยู่มันก็เฉยๆนะอะไรแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์คือเขาคงไม่อยากใช้เราไปเบล่งเขาไปโทษเขาอ๋อ นานาจิตตังใช่ไหมคะพระอาจารย์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนสไตล์เขาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงอะค่ะอาจารย์ถ้าเราจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปส่วนของเราว่าเราไม่มีแล้วไม่มแจกแล้วอยากจะฝากพระอาจารย์มากไปเรื่องความอยากค่ะก็เลยติดอยู่ในในตรงนี้แล้วก็ในพูดเราไปว่าก็อยากมากมันก็อยากด้วยกันทุกคนแหละแต่เขาก็พูดถูกนะคะว่าก็อยากด้วยกันทุกคนนี่แหละอยากมากอยากน้อยแต่เขาพูดออกมาแบบไม่พอใจว่า อาจจะหาวายงไปว่าเขาว่าอยากอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะจังหวะอาจารย์ทั้งเมตตาทั้งวาจาทั้งการกระทําใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีไปคิดเยอะมากแล้วมันก็แม่ค่ะบางทีถ้าจะให้ก็ให้เลยไม่ต้องไปแบบเออไปคิดมากแล้วมันจะมีแบบขุ่นเคืองเข้ามามีจะให้ให้ทานแต่ว่ามันมีอาจจะมีโทสะเข้ามาปนเปื้อนแบบเนี้ย ไม่พอใจแบบเออมีมานยาเข้ามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้โยมต้องระวังจ้าพระอาจารย์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวทานที่ให้มันจะไม่บริสุทธิ์นะคะพระอาจารย์โยมคิดแบบนี้ค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ น, นี้นะก็มีเท่านี้นะคะพระอาจารย์งั้นค่ะขอบ<า>พระคุณพระอ า, าจารย์มากอ่าไปที่คุณหมอพี่เชเชิญคุณรมกลับน้สกัดพระอาจารย์ครับข อ, ขอบความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบาย ที่ปลอดภัยที่สุดของใจคือความนิ่งและความสงบของใจครับแล้าวก็คือฐานของใจฐานของจิตก็คือความสงบนะสักแต่ว่าเราเป็นเอกาตาลมใจเป็นหนึ่งใจสักแต่ว่าเราไม่มีการไม่มีอารมณ์รักชางกลัวหลงเหมือนที่เราฝึกสมาธิกันเนีว่าใจเข้าไปถึงจุดนั้นให้เข้าไปถึงฐานของใจ แล้วพอเราเข้าถึงฐานแล้วก็พยายามรักษาให้มันอยู่ในนั้นอเวลาออกจากสมาธิมาก็พยายามประคับประคองให้มันอยู่ในนั้นให้มากที่สุดแต่ถ้าเราเผลอมันก็อาจจะเริ่มออกจากฐานแล้วเกิดความรักชัำกลัวหลงขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกสติไปหลังจากที่ออกจากสมาธิก็ยังต้องคอยควบคุมใจอยู่ถ้าถ้าจะ ถ้าเราชำนาญทางสมาธิแล้วถ้าเราอยากจะให้จิตอยู่ในฐานอย่างยัง่งยืงยงยงถนถาวรก็ต้องใช้ปัญญาคอยกําจัดตัวที่คอยหนึ่งจิตให้ออกจากฐานก็คือความอยากความโลภต่างๆพอมันออกจากพอมันเกิดความโลภความอยากใจแล้วก็ออกจากฐานน้ได้แล้วก็เริ่มกับเพิ่อมใจล้วก็เริ่มมีความวุ่นวายใจขึ้นมาเริ่มร้อนขึ้นมาก็ใช้ปัญญา มาพิจารณาว่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช่เลยครัวความอยากเนี่ยเป็นตัวที่สร้างปัญหาก็เราก็สามารถใช้ใช้สติอปัญญาหยุดมันได้ให้มันสักแต่ว่ารู้ให้มันเฉยเฉยไปหยุดความอยากไปทําไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลัง พอเรามีปัญญาเห็นโทษของความอยากก็จะไม่อยากได้นะอยู่เฉยๆตามมีตามเกิดจิตก็จะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดแม้แต่เรื่องของร่างตายก็ไม่เป็นความอยากมันจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอพอปรอหยัดปั๊มมันก็จะทุกข์กันเลยทันทีกายไมทนาจิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รู้ว่ามันเป็น อันนี้จังทุกข์ับอนัตตาอย่าพยายามอ ย, า, อยากก็ไม่ไปแก้ไปไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลิกไปพลิกมาเกิดดับเกิดดับไปแก้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาใหม่อืรรักษาโรคภัยแค่เจ็บวันนี้หายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีโรคใหม่กลับมาต้องให้มันตาย ตายด้ยังมีความอยากอยู่ก็ไปเกิดใหม่อีกถ้าตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องไปเกิดปัญหาทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปนะอย่างอริยสัจสี่เมื่อเจ้าทรงแสดงสมุทยนะัยตัวปัญหาก็คือปัญหาความอยากนี่ปลไปสู่ความทุกข์สู่ความเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจากสิน้นทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ ทุกไปเรื่ยมีอะไรก็ต้องไปทุกข์กับมันเพราะอยากให้มันยั่งยืนถาวรอยากให้มันให้มันไม่ไม่เสื่อมไม่ไม่ไม่หายไปทุกอย่างมันไปเขาเชื่อข่าวต้ังมองพิจารณาทุกอย่างให้เห็นตาลักเวลาอยากได้อะไรก็เห็นสิ่งที่อยากได้เป็นตายรักมันจะได้หดตัวความอยากมันจะได้หดตัวกลับเข้ามา พยายามรักษาจิตให้อยู่ในจุดนั้นด้วยตัว ง, งาสาสตินั่งสมาธิให้มันเข้าไปต่อไปแล้วก็ใช้ปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็ให้มันอยู่ในจุดนั้นต่อไปโดยการคอยสกัดกั้นความโลภความอยากต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้รู้สักแตะวันรู้อย่างที่พระเจ้าสอนเห็นอะไรก็สักตะว่าเห็นได้ยินอะไรอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงกับสิ่งที่เราได้รับสมบัมผัสนด้ยิน ล้วใจก็จะสบายไม่รูเบคขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปสัมผัสได้เลยอ่ะสุงง่ายๆก็คือต้องฝึกสติปัญญาของอย่างมันต้็งไปใช้สติทำใจให้เข้าสู่ฐานของใจฐานของจิตคือควาสมสงบ อ, อุเบกขาแล้วออกจากออ ก, ออกจากสมาธิมา ถ้เาเํานาญทางการเข้าสมาธิได้แล้วเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้คอยประครับประคองใจให้อยู่กับอุเบกขาด้วยการคอยสกัดกั้นความอยากต่างๆเพราะอยากป้อมนใจมันจะทุกขึ้นมาทันทีแล้วสิ่งที่อยากได้มามันก็ทํามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ทําให้ใจทุกข์เวลามันเสือ่อมเวลามันจางออไป แค่นี้แหละเนี่ยโอใจของการปฏิบัติทำเพื่อรักษาใจให้ปราศ จ, จากความทุกข์โอใจมากขึ้นมากกับอาจารย์ขอบคุบพระคุณอย่างสูงครับเ อ, อาเถอะใค้ต่อคุณตายวันนี้เข้ามาเร็วเลยคณตายจะรีบไปนอนนะหนูน็อปขัน็สการ์ครั บ, บอาจารย์ไม่อยู่กับพระอาจารย์จนจบลุกครั้งเลยนะคะพระอาจารย์ขอบคุณ แค่ น, นี้นแค่ เ, เ, เข้ามาแล้ว<ม>เกี่ยวจะรีบไปไหนหรือเปล่าไม่คะ่ะต้องเข้าอยู่นั่งนั่งหน้าห้องก่อนค่ะพอาจารย์แต่ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนเหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ก็มาวัดก<า><า>ันมาได้ก็ถือว่าดีแล้วดีขึ้นเยอะและ้วร่างกสิ้นแต่าาแได้ในเข้าพรรษาค่ะมันก็เหมือนโกหกตัวเองเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ก็ยังนั่งคิดอยู่ ก็ของตัวเองนี่ก็คืออย่างอื่นได้หมดไปแอบดูมือถือนี่นะคะที่วันนี้พระอาจาร์เทศนะคะแค่นี้แบตรงใจมากเลยแอบหลุดไปกับมือถือเนี่นะคะที่ว่าไปแอบดูอันนู้นอันนี้ทีวีก็ไม่ค่อยดูแต่ไปดูมือถืออันเดียวเนี่ยนะคะอมันก็เหมือนกันอ่ะมันก็เป็นภาพเสียงเหมือนกันมีภาพและเห็นรูปเสียงก็พยายาม แล้วให้มีมันยวันหยุดสักวันถึงวันพระอย่างนี้ก็หยุดดูสักวันอะไรครนะในวันที่เราไม่ทํางานอย่าเงี้ยวันเร า, าะะตอนแรกก็ดูดูหน้าจอของพระอาจารย์ดูเพจของพระอาจารย์ต่อไปไมันก็หายไปไหนกันไม่รู้ใช่ค่ะพระอาจารย <c oughs> ์แวบไปแล้วก็อ๋อตั้งสติได้อ๋อทางานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามอยู่ค่ะแต่ก็มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ามันหลายรอบก็รู้นะคะ ถ้อ่างน้นเรารู้ปัญหาแล้วเราจะได้พยายามแก้ปัญหาต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรก็พยายามทำความดีไปเรื่อยๆแล้วก็ทำบุญทำทานไปตามเท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะคะพระอาจารย์ดีค่ ะ, ะพยายามหาเวลานั่งสมาธิด้วยก็พยายามทำทุกวันค่ะตอนนี้ก็มันเท้ามันชอบเป็นแต่คิวค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบ นั่งเข้าอีก็ได้ถ้ามันนั่งเป็นตะเกยียวก็นั่งคุนเข้าอี้ก็ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้านั่งไม่นานก็นั่งเข้าอีกไปก่อนก็ได้ค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์จาสาธุจ้าคุณคุณยายกับสันโดดอายไไ ห, ไหมเอ่ย มาแล้วครับอาจารย์เสียวสันหลังจังเลยไปเที่ยวมาแล้วสิก็ไม่เชิงครับผมาารับมามีกวดจะได้โทษจะได้ลอนลงเตี่งนี่ว่าป่วยด้วยเรียนรอดอด้วยแล้วก็เหตุปัจจัยต่างๆนานาก็เลยก็เลยชิ่งไปครับผมอาจารย์ แต่ว่าก็ไปตัดผมมาแล้วครับพระอาจารย์กะจะมาอวดพระอาจารย์ตั้งนานแล้วสามสี่อาทิตย์ก่อนแล้วแต่ว่าดูซินะครับพระอาจารย์มันยาวหมดแล้วเนี่ยไม่ทันได้อวดพระอาจาร <c oughs> ย์ก็ ต, ก <c oughs> ตัดใหม่ก็ได้นี่ <c oughs> ตัดใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวตัดใหม่ครับผมวันศุกร์ใช่ตัดทรงรอรอเลยครับพระอาจารย์เปลี่ยนเลยร <c oughs> ่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นน้องพ่อหลวงเกี้ยวเป็นตัวเราทําไม ครับผมอาจารย์ก็ตามวินัยนักศึกษาวิชาทหารเขาให้ตัดก็ <g ül> ตัดแล้วก็ตัดไปมันไม่ใช่ตัวเรา <g ül> เราไม่ได้เป็นรน่างกายนี่ครับผมอาจารย์อาคุณยายประกาบ พ, พระจารย์แล้วก็มาสารภาพความผิดมาโรงเรียนใหม่ทั <g> ้ง <ül> ม พญายายสบายดีนะอ่ายายก็อยู่บ้านสบายนะคะอ่าเหมือนเดิมนะไม่ได้เป็นอะไรค่ะอยู่เหมือนเดิมค่ะได้กราบไหว้สวดมนต์อยู่ค่ะอ่าสุขกายสบายใจค่ะก็อยู่คนเดียวเลยนะคะก็ทํางานกันหมดดีอยู่คนเดียวได้ดีค่ะครับผมอาจารย์มีท่านนี้นะครับก็ไปเดี๋ยวไปปฏิบัติ ต่อผสมกันบ้านเพิ่มก็ไปจากพระบรมครองค์คุณไปต่างหอบคุณจุ๊กากโกเบอยากนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมนี่ไม่มีคำถามเจ้าค่ะอืมโอเคมันมีก็ฟางไว้แล้วนี่ไะ ฟังไปได้อาทิตย์หน้าหนูจะกลับไปเมืองไทยเจ้าค่ะพระอาจารย์อกลับมาประจําปีหรือว่ากลับมาคือเซ็ตเซ็ตไว้แล้วค่ะว่าว่าจะไปปฏิบัติธรรมมาค่ะพระอาจารย์สองอาทิตย์ไปปฏิบัติที่ไหนนู้สามวันแรกปฏิบัติที่พิษณุโลกค่ะวัดป่าเน่นแล้วก็ถัดจากนั้นเจ็ดวันหนูก็จะไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่วัดลำเปงเจ้าค่ะ อ, อไป<บ>มาแล้วใช่ไหม ออกจากวัดล้ำเปิงก็มีมีปฏิบัติธรรมที่คุณหมอที่พระอาจารย์ก็รู้จักะค่ะคุณหมอทัดดาวจัดงานที่วัดป่าตังขึ้นนะจ๊ะค่ะพิสพอออกจากวัดป่าตางขึ้นปุ๊บหนูจะไปพัทยาไปนวัดสกรรารพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมโอเคอ่าเจ้าเที่ยวนี้เป็นเป็นเป็นการม า, ามาปฏิบัติอย่างเดียวค่ะมาปฏิบัติอย่างเดียวค่ะนอนบ้านแค่คืนเดียวเองคนะ่ะอืม อันนี้ไม่ได้เป็นการกลับมาเยี่บ้านตามปกติค่ะทําโดยเฉพาะมาทัวร์ธรรมะอย่างเดียวนะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูเซตไว้ก่อนก่อนที่ลูกสาวของหนูจะป่วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อแต่ก็ก็ยังดีที่ว่าตอนนี้ลูกเขายังอยู่ที่เหมือนอยู่ไอซียูอยู่เจ้าค่ะเดือนหนึ่งก็ยังไงแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าที่ที่โรงพยาบาลเขาจะ ไม่ให้ไม่ให้เข้าไปเยี่ยมอะค่ะก็คือถ้าเขาไม่โทรมาเราก็จะเข้าไปเยี่ยมไม่ได้จ้ะค่ะหนูก็เลยก็ดีเหมือนกันก็ฝากที่บ้านหไว้หนูก็จะมาค่ะพระอาจารย์แล้วเรามีสามีดูแลลูกว่าอยู่ใกล้ลูกว่ะก็ไม่มีมีค่ะอยู่ก็ดูแลอยู่ค่ะพระอาจารย์โอเคก็หวังว่าอาการคงจะดีขึ้นนะ ขอพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ก็ไปก็อาการก็ดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ายัางเอแยกแยะว่าใครเป็นไทยไม่ได้อืบินตากระพิตตาเป็นคนปกติแต่ว่าขาดแบบไม่ได้เหมือนเดิมก็แล้วแต่เจ้าค่ะแล้วแต่บุญแต่กรรมนะเจ้าค่ะอืคุยกันต่อโอเคยังไปที่คุณทิติมาต่อเะทิติมา กรุงเทพกทมการมสักการค่ะพระอาจรย์วันนี้อยู่วัทยาค่ะอ๋ออัทยาใช่ค่ะอยู่เมืห้ใหญ่เนียค่ะวันนี้มาฟังเทศหรือเปล่าแล้วมามาค่ะพระอาจารย์คกลางวันใช่ค่ะอืไม่มีคำขัดค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องทํางานแล้วแล้วมาทำงานที่พัทยาลาค่ะลาสามวันค่ะโอเคแล้วจะท่าอย่างไรนะคะอ่าอาตุ้อคุณเอกเชียงราย รับการวสการพระอาจารย์ครับผมอืมครับไงไงมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีครับเข้ามารับฟังพระอาจารย์ครับอืมก็ยังปฏิบัติอยู่ครับพรอาจารย์ครับอืมครับผมไม่เช่นชคยพยายามรักษาใจให้สงบไม่ไปทุกกับวุ่นวายกับอะไรทั้งหมดนะครับผมครับโลกมันก็วุ่นวายอย่างเงี้ยทุกอย่างในโลกนี้มันก็บวแปลป่วนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันจะปูใส่กระด้งตัวนี้เข้าไปตัวนั้นก็หลุมามีปัจจัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เมื่อยๆทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงทุกขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปครับผมครับผมก็ก็บางทีเห็นแต่ว่าเรคุยกันแบบอะแบบเสียงดังอะไรพูดพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็บาดีว่าเดินออกมาครับอาจารย์ครับ ไม่อยากจะฟังไปอยู่อะไมันดูมันจะวุ่นวายอะไรก็เดินเดินออกมาอาจารย์อย่าไปคุยอย่าไปชั่งพมกับใครดีกว่าครับน่าจะสั่งพรมกับังพมกับคนที่ธรรมะเนี่ยเข้ามาห้องธรรมะอย่างนี้พูดแต่เรื่องธรรมะจะดีกว่าครับผมธรรมะเป็นของเย็นครับผมการการเมืองการบ้านเป็นของเราอนครับผมใช่ครับอาจารย์ครับครับผมก็ยังสงบอยู่ ได้ได้อยู่ระดับหนึ่งครับอาจารย์แต่ก็<ำ>ถือทำไปเรื่อยๆครับวันพระ ก, ก็คือสิงแสแล้วก็ถือเนสันชิดถูกครับอาจารย์ <Okay. S 1> แต <Okay. S 1> ส่สองสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บางทีก็มันไม่ไหวครับสู้นิวรนไม่ไหวครับอาจารย์ก็ง่วงง่วงทีก็ตีสองกว่าก็โอ้มันไม่ไหวก็พักซะหน่อยครับผ <c oughs> ่อนชั่นผ่อนยาวบ้างใช่ผม ร่างกายมันา จ, จะมีอายุมากนะมันก็าจจะรบรรจารการพักผ่อนมากขึ้นก็นได้การพั่วกลางวันกลางวันพวมก็ทํางานด้วยอะไรด้วยอ่าก็เกีกลีกันครับแต่ก็ต้อรู้จักประมาณรู้จักกําลังของร่างกายว่าเจะทําได้เท่าไหร่ครับผมอย่างอย่างนี้ที่<อ>ที่เขาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมที่ว่ารู้รู้แรงของเราอย่างนี้ครับอาจารย์ก็มีส่วนก็พูดได้แต่ละคนก็มีมัชชิมาไม่เหมือนกัน มำลังของแต่ละคนไม่มากไม่มากน้อยไม่เท่ากันแต่เราเลือกจากความพอดีของเราครับครับผมครับผมได้ครับอาจารย์ถ้าวันนี้ก็ถือในสันชิดอยู่ครับก็จะพยายามครับมูลนายมใช่ครับผมขออาจารย์ท่าหลังคุณเองครับผมได้สาุครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสาธุครับไปที่อาจารย์พมวิรายกอธมวุณนุกูนอนแล้วยัง อยู่กับมัดกการพยาจนค่ะมาแล้วค่ะมามรดการพยาจนครับอประจำวันไม่ได้ไปไหนแล้วนะปล่อยลูกหลาเข้าไปกันกล้วก็ก็ยังไปยังไปไหนได้อยู่ค่ะเรียงแว่าไปน้อยลงค่ะทําอะไรได้น้อยลงอดูแลสังขารกันอยู่ค่ะก็ตอนนี้ก็เจอหมอมากกว่าเจอเพื่อนอ่ะอ เราเปลี่ยนเพื่อนเอาหมอมาเป็นเพื่อนแทนที่เพื่นสุดท้ายของร่างกายกับคุณหมอแล้วี๋วีสองอาทิตย์ก็จะมี reunion ฮะก็ทำไปตามหน้าที่พอดีพอดีหายเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็อยากจะชวนไปใช้บ้ากันเลยแล ตอนที่จะสายกันไปกลับไปเล่นกอล์ฟได้ก็ก็เก่งเนาะค่ะแต่ว่าได้เจอพระอาจารย์มากกว่าทุกคนเพราะได้เจอทุกกระติบเราก็มีอยู่นี่แบบนี้นี่ค่ะมีอยู่นี่แบบธรรมะดีไหมค่ะไม่ได้เจอแต่เฉพาะตรงนี้นะคะได้เจอแบบได้ฟังธรรมนะอย่างตอนเนื่องวันพระสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือน ได้พบอาจารย์เกือบจะไปจำวันนะคะได้ค่ะก็ทำให้จิตใจมีพลังดีค่ะรักษาจิตใจให้สงบ น, นะต้องปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดเซลาเซลาใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะเพลงเนี้ยพยายามจะบอกเด็กๆว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเพลงธรรมะมเลยที่เราฟังกันมา อคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยไม่รู้จักว่าเดวเวอร์บีบูบีฮะเราก็ปล่อยให้มันไปตามไปตามยุคตามทลายก็ดูแลอะไรได้เราก็ดูแลไปอืก็พยายามนิ่งอย่างเดียวค่ะทั้งสองคนก็มองไปเป็นทุกอย่างก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเราเราเกิดกันมาใช่ไหมคะแต่ก่อนเราทํางานเราก็ไปวิ่งไปตามงาน ถึงเวลายอายุเยอะๆแล้วหรอก็ว่าเราก็ทำอะไรมาเยอะแล้วเนาะใช่ไหคะหแต่ก่อนก็มีคำถามอยู่ว่าเราเกิดมาทำไมแต่ตั้งแต่เป็นสาวเป็นมาเรื่อย ๆ, ๆมากับคน <ๆ S 2> พบ <ๆ S 2> พ่พิจาจาร์ทั่งสอนมาเรื่องของ happiness นะบุญกิจยาวัตถุสิบอะไรซึ่งคนพบตัวเองว่าเอออันนี้สิ่งที่เราทำมาก็คือเราดเนินรอยมาตามนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าคืออะไร เมื่อมาถึงบ้านปลายชีวิตแล้วก็ต้องต้องรีบเร่งทำให้มากที่สุดค่ะโอเคเวลาน้อยลงทุกวันแล้วนะใช่ก็ทำใจให้สบายที่สุดถึงไหนก็ไม่รู้ค่ะได้มากที่สุด่ะสร้างเทพุ่มำใจขึ้นมาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกข้ากันรับทราบค่คุณนิสาจากลอแอนเจลิส น้องกลับนวัสการค่ะพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามอะไรค่ะาพระอาจารย์ฮึอ ม, อมก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์อื ม, มากน้อยตามกาลหรตามภาระค่ะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมีภาระเข้ามาบ้างค่ะพระอาจารย์ก็พยายามรักษาเวลาให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์ ใช่ตอนนี้เป็นของไม่แน่นอนว่าเราจะมีเวลามากเวลาน้อยนะค่ะพระอาจารย์ก็เหลือเวลาน้อยแล้วค่ะพระอาจารย์อืค่ะก็ตอนอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็มีเรื่องมันก็ต้องมีเรื่องประจําอะค่ะพระอาจารย์มีเรื่องนู่นเรื่องนี่เข้ามาตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็ต้องใช้สติอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัตินะคะพระอาจารย์อแต่ว่าบางทีบางทีที่เวลาลูกนั่งแบบ สี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางครั้งลูกแบบหลับตาไปเลยอะค่ะพระอาจารย์อค่ะมีความรู้สึกยััลกนอหบไม่ไม่ไม่หลับอะค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าหลับตามันก็ดีอะค่ะคือถ้าพอลืมตาแล้วมันจะแบบเห็นนู่นเห็นนี่นึกนู่นนึกนี่หลับตาไปเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ก็เป็นการนั่งสมาธิไปค่ะใช่ค่ะแต่ว่าลูกนั่งสมาธิได้ก็แบบชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ ยังไม่สามารถนั่งได้ยาวถึงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เปิดพามบ่นลุกขามายืนค่ะก็เลยแบบก็เลยแบบเออลุกขึ้นมานั่งบ้างลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้ที่ใกล้ๆตัวบ้างแล้วนั่งนั่งสมาธิบ้างแต่ว่าพอหลังจากออกสมาธิก็เลยปลับตาไปเลยละกันอะไรเงี้ยถ้านั่งได้ก็นั่งสมาธิต่ออะไรเงรี้ยค่พะพระอาจารย์ก็ก็ดีค่ะช่วยช่วยได้ไม่งั้นสายตามันจะมองแบบไปทางนู้นทางนี้ อ่านะแล้วความคิดความอยากขึ้นมาค่ะพระอาจารย์อืมโอเคทํ<อ>าต่อไปนะค่ะพระอาจารย์คา น, อน้องปฏิบัติค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอะสาธุคนฝนเชิญพิมพ์ฝนเยู่ที่กรุงเทพกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ที่นี่มากับพระอาจารย์ก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพอ ด, ด, ด, ดีวันนี้เขาจะสอบพรุงพร่งนี้ก็เลยมี อ่าไปอ่านหนังสือติวหนังสือสอบอะค่ะพระอาจารย์เยอะแยะเยอะมากเขาเพิ่งอ่านคือเสร็จเลยเดีมาบอกคุณแม่ว่าเขาเพิ่งอ่านเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โอเคอากาศพระอาจารย์นี่เลี๋ยวมมาสักห่ยคุณขอให้สอนได้คะแนนดีนะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้โอเคครับกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ตอนนี้หนูพอดีหลังๆตอนเข้าสูมพระอาจารย์แล้วเน็ตชอบหลุดบ่อยค่ะตอนนี้เลย เปลี่ยนเน็ตที่บ้านติดใหม่เรียบร้อยให้มันแรงแรงเลยะ <laughs> จะไม่รู้ค่ ะ, <laughs> ะก็ต้องลงทัวไม่งั้นหนูแบบเข้าซูมลำบากเจียพ่ะเลยแบบว่าต้องลงทุนหน่อยบอกว่าหนูลงทุนมาเพื่อเข้าซูมพระจารย์เลยค่ะโอเคไม่ได้ไม่ได้ชั้สัญ ญ, ญาณของทางโทรศัพท์นะ สัญญาณก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็หลุดเหมือนกันค่ะอะไรแต่ตอนนี้เลยโอเคแล้วก็เลยแบบก็ hmm. ยังเชื่อหน่อยเลยได้เข้าซูมอะค่ะอืมคือกล่าวเป็นพระอาจารย์ว่าคือช่วงหนูเรื่องศีลข้อห้าก็ไม่ไม่ไม่ได้พร่องอะไรก็ยังยังยังดีอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ไม่ได้แตะต้องสุรามาแบบว่าจะเกือบปีแล้วแล้วก็อืมคือหมายถึงว่าปกติไม่ได้หมายถึงดื่มนะคะแต่หมายถึงว่าถ้ามีงานมีอะไรที่บ้านตอนนี้ก็ คือคนอื่นใครจะดื่มดื่มไปแต่ว่าเราเฉยเฉยะค่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะคอนตินียได้ไปอีกอ่าคือไม่อยากจะพูดว่าเลิกค่ะเดี๋ยวมันเสียสัจจะแต่ว่าเอาเป็นว่าตั้งมั่นไว้แล้วค่ะว่าจ ะ, จะจะพยายามรักษาสีหน้าให้ไม่พร่องเจ้าค่ะพระอาจารย์นตอนนี้ค่ะถ้ามันหยุดแล้วมันก็หยุดได้ไปเรื่อยๆความอยากมันก็จะลดน้อ ย, อยถอยลงไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีความอยากคืออย่างแบบสมมติเวลาคนอื่นไปทั้งโต๊ะเขาดื่มวายเงนี้หนูก็ไม่ไม่มีความรู้สึกก็ก็เออเราก็ดื่มน้ําเปล่าหรือว่าอะไรที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ก็ได้ก็สบายสบายค่ะไม่ได้รู้สึกสา้เราก็ดีใจที่รู้สึกว่าเออเราก็ยังตั้งมั่นในเรื่องของสี่ห้าได้แบบได้มาตามที่ตั้งใจไว้เจ้าค่ะแล้วก็อืมคือระหว่างวันทุกวันนี้ก็สบายใจไม่ค่อยไม่ค่อยได้คิดอะไรอ่ะค่ะก็ก็ก็ พอไม่คิดมันก็ไม่ทูกเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอาจจะยังอยู่ในเรื่องของรูปเสียงกิริลดโผฏฐาอยู่แต่ว่าอ่านั่งสมาธิก็นั่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่านั่งได้นานขึ้นระยะเวลามันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็นั่งได้เลยแบบนั่งได้ค่อนข้างจะทุกครั้งจะใกล้ๆครึ่งชั่วโมงหรือบางครั้งก็อาจจะเลยครึ่งชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จากที่เมื่อก่อนก็อาจจะได้อยู่แค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็แบบ ผักออกแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็นั่งต่อไปจนจนจนรู้สึกว่าเออจนไม่ไหวจริงๆอ่ะค่ะพาร์จาย์อืมก็สติมีกําลังมากขึ้นมันก็จะนั่งได้นานขึ้นมีการฝึกสติบ่อยๆในก่อนที่เราจะนั่งในระหว่างวันทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการขึ้นไหวของร่างกายค่ะของหนูกจ็จะใช้ลักษณะเนี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกพอระหว่างวันมันก็จะมีไปแบบอ่าดูคือไปทาง ตาหูจมูกลิ้นนะคะแต่ว่าแต่ช่วงที่ไม่ใช่ไปทางทางกิเลส น, นะคะ<ม>อย่างสมมติไอเด้อแบบตอนเดินอยู่เดินไปขึ้นรถไฟฟ้าตอนขับรถรอลิฟต์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีช่องว่างที่เราแบบรู้สึกตัวค่ะก็จะภาวนาพุโทโธตลอดนะคะพระอาจารย์<ม>แต่มันก็ผ <c oughs> มันก็มีช่วงแต่หนูก็รู้สึกว่าขนาดหนูก็อาทิตย์หนึง่งช่วงหลังๆก็ไม่ได้นั่งสมาธิทุกวันนะเจคะ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ลงมานั่งอะคะ่ะระยะเวลายอย่างที่บอกมันก็ยัง ก็ยังเมนเทนได้อยู่ที่แบบใกล้ๆครึ่งชั่วโมงหรือว่าเลยครึ่งชั่วโมงมาหน่อยเจ้าค่ะโดยที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อาจจะไม่ได้ใช้เสียงธรรมเข้ามาช่วยค่ะพยายามใช้วิธีแบบสวดมนต์ตามทีเ่เทคนิคที่พระอาจารย์เคยใช้ก็สวดอิติปิโสไปเรื่อยๆแล้วก็แต่บางทางีมันก็อาจจะยังไม่ได้สงบแบบถึงขั้นอะไรแบบนั้นนะเจ้าคะแต่ว่าก็พยายามที่จะรักษาใจไม่ให้ไป ไปลอยไปคิดเรื่องอื่นพอลอยไปวัดนิดนึงหนูก็จะรีบกลับมาที่บทสวดอะไรแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เราทาถูกต้องแนละ้วพยายามทําบ่อยๆทําให้มากขึ้นอ่ะเจ้าค่ะก็เนี่ยค่ะก็ต้องสร้างวิริยะกับความเพียร น, นะคะซึ่งหนูก็รู้ว่าหนูขาดตรงนี้นะคะ่ะก็ยังพยายามพยายามสร้างความเพียรอยู่เจ้าค่ะรู้รู้ตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเน้นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปเน้นเรื่อง ทำทานเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้หนูจะเดี๋ยวอาทิตย์พุธหน้าหนูจะไปเลีเ้ยงอาหารกลองวันเด็กแล้วก็บริจาคสิ่งของให้กับเด็กโรงเรียนวาเจ้าค่ะก็หนูก็ไม่คิดว่าหนูลงเฟซบุ๊กแล้วเพื่อนๆจะเข้ามาช่วยบริจาค ก, กันแบบรวมเงินกันได้แบบเยอะเลยเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจกทุนนักเรียนให้ได้ทุนละห้ารอยก็ประมาณสี่สิบทุนนะคะแล้วก็ยังไม่รวมที่จะซื้อของให้โรงเรียนอีกอะไรอีกเจ้าค่ะอาจารย์ดีจ้ะสาธุสาธุเจ้าค่ะ ก็กลับเรียนพระอาจารย์เท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์าทาไปทําทานรักษาศีลภาวนาไปนะค่ะมีความสุขค่ะพระอาจารย์นั่นแหละความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์มันมันสุขมากเลยค่ะพระอาจารย์อตอนที่แบบเหมือนหนูตอนแรกหนูจะไปทําคนเดียวเจ้าค่ะเพราะว่าหนูก็มีถุนก้อนหนึ่งที่เออตั้งใจว่าจะไปทําแต่เราคิดว่าเออไหนลองบอกเพื่อนๆดูคือบอกคือบอกเฉยๆนะคะไม่ได้เรียกนะเขาก็ มันมันมามากกว่าที่คิดอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอมัน mm hmm. เหมือนมันซักเซสแล้วมันโอ้มันมันปลื้มใจอะค่ะมันปลื้มใจแล้ ว, mm hmm. แ, ลวแล้วหนูก็บอกหนูจะซื้อคริสปี้ครีมไปแจกเด็กๆ เ, เขาเก้าสิบกว่าคนหนูก็สั่งไปร้อยสิบกว่าชิ้นคือเด็กๆไม่รู้จักโดนัทคริสปี้ครีมค่ะไม่เคย mm hmm. ทานแล้วพวกก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอค่ะอยากทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ mm hmm. คื อ, ค, อคือรู้สึ ก, ก มันมันปลื้มใจมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอแบบให้อยากเห็นรอยยิ้มเด็กๆด้วยเจ้าค่ะพรอาจารย์อ่าดีมากให้ความสุขกับผู้แล้วเราก็จะได้ความสุขนั้นกลับมหาเราอขนาดยังไม่ได้ไปก็สุขมากเลยค่ะพรอาจารย์ดูมีความสุขจริงๆค่ะต้องข อ, องตรงอะไรอย่างเงี้ยสะสมของบุญบุญก็ความสุขใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เพียงคิดเพียงแต่คิดจะทำก็เริ่มมีความสุขแล้ว ใช่นะะเนาะค่ะพอมันมันเริ่มดําเนินการไปในทาง<ม>ที่ดีอ่ะได้รับการ<ม>ช่วยเหลือโดยที่ไม่คาดคิดนะค่ะก็โอ้รู้สึกแบบมั น, ม, นมันไม่คิดะค่ะไม่คิดว่าจะมามรวบรวมได้ขนาดนี้เจา้าค<ม>่ะก<ม>็ก็ผิดคาดแล้วก็รู้สึกว่าช่วยได้คนได้เยอะช่วยเด็กๆได้เยอะอะไรค่ะมันต่อยอดไปอีกเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ต่อยอดไปแบบไปเยอะมากเลยค่อะอากจจะอาจจะทําต่อไปเรื่อยๆก็ได้ถ้ามีมีกําลังค่ะเจ้าค่ะหนูก็แบบก็ คือพอเวลาบอกทีก็มาอย่างนี้กันทีนึงค่ะแล้วจากจากที่จุดเล็กๆก็กลายเป็นไปตอนนี้ถึงขั้นหนูซื้อของระดมทุนให้โรงเรียนเดี๋ยวจะซื้อรองเท้าให้เด็กนักเรียนอะไรอเอ๋ค่ะไปกันเรื่อยเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มีมากมีมากทำไปเ<ร>ลยของพวกนี้ถือว่าเป็นทานบารมีค่ะก็ อ, อาศัยบารมีพระอาจารย์ช่วยหนูด้วยนะคะเอ๊ได้ทําให้ได้ทําเรื่อยๆเจ้าค่ะอาจารย์พระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ เจ้าคะก็มีความสุขด้วยเจ้าค่ะอาจารย์บอกดีมากสาธุจ้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระจรมากเจ้าค่ะขอให้อาารท่าแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าคุณจารึกาชยน้าเมืงน้เหนือลงมาถึงหรือยังยังาจ้ายัไม่ไรู้จะพูดจะจะลงมาถึงหรือเปล่าเขืนจะรับไหวหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะค่ะไม่เป็นไรอะค่ะ ทำไปเหมือนเดิมค่ะแล้วเท้าภัคเนี่ยก็โดนหนักมากใช่ใช่นะอ่ากลูกก็บริจาคไปค่ะพระอาจารย์ใช่ช่วยกันไปคลไม้คนละมือค่ะค่ะมากน้อยไม่เป็นไรขอให้ได้ช่วยกันก็แล้วกันค่ะค่ะปฏิบัติตลอดค่ะพระอาจารย์๋ยวาไปคิดว่าเรามีน้อยช่วยไปก็ไม่มีอะไรมันไม่จริงหรอกคน ค, ค, คนเขาได้ข้าวของเราไปถุงนึงนีะเขาก็ อยู่ได้หลายวันนะค่ะก็ทําไปเรื่อยๆตามที่บาอาจารย์สอนนะคะคจนมาสุดท้ายอะค่ะของชีวิตใช่ตายไปก็อาอะไรไปไม่ได้เใช่ก็คิดติที่พระอาจารย์บอกไปไปเอาไม่ได้ค่ะเอาบุญไปดีกว่าบุญเอาไปได้ใช่แล้วก็มันไม่มีภาระแล้วอะค่ะอาจารย์ก็เหลือแค่พ่อแล้วก็อยู่กันสองคนอืมค่ะ ทำไปเร้ตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านะอ่ะค่ะค่าคุณแนนทางอุดรยังไม่ทนะ่วมใช่ไหมท่วมไหมอุดรท่วบางจุดน้องจักรในเม็กซิกันน ะ, กนะคะอจารย์ท่วมบางจุดค่ะแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าทางภาคเหนือเจ้าค่ะ ม, มีแค่แบบปริมีเฉยๆเจ้าค่ะในเมืองไม่ท่วมไหมไม่ท่วมบางถนนท่วมบางถนนแบบเบาๆค่ะมันมชั่วโมงหนึ่งก็หยดอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ถึงกับเข้ามงเข้าบ้านอะไรย่างนี้นะไม่เลยเจ้าค่ะบ้านลูกไม่โดนเลยค่ะเจ้ค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์คุณหมอภาสนากลับเพงบ้านแล้วเหรอคะพระอาจารย์เพิ่งถึงประมาณทุ่มครึ่งพระอาจารย์จากชนบุรีมากรุงเทพแค่ชั่วโมงค่ะแต่ว่าจากทางด่วนมาถึงบ้านนานกว่าอีกพระอาจารย์รถติดใช่ว่าอาจารย์แต่ว่า ก็ยังรักษาความสงบแล้วก็ยังไม่มีความทุกข์อะไรนะคะพระอาจารย์ยังมีความสุขตลอดค่ะก็ปฏิบัติแล้วก็ยิ่งมามาฟังพระอาจารย์อะไรเงี ย, ยิ่งมีแรงเลยค่ะพระอาจารย์อย่างวันนี้ก็มีแรงแบบรู้สึกเลยว่าอุ้ยบนั่งได้ตลอดแน่นอนเพราะว่ามันแรงมาจากพระอาจารย์เลยฟังพระอาจารย์แล้วก็สงบเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ได้ซื้อมุ้งใหม่ด้วยนะคะพระอาจารย์เพราะว่ากดอันเดิมมันพังแล้วเดี๋ยววันนี้จะนั่งนอกบ้านพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกนั่งในป่าแล้วนั่งนอกบ้านอ่ะจะรู้สึกสังเกตดูค่ะ มีกว่าเยอะมากเลยพระอาจารย์ผมนั่งแอรแล้วค่อยโอเคเพราะตั้งแต่ที่เกาหลีอนก็นั่งข้างนอกก็รู้สึกว่าเนี่ยเนี่ย ว, วันนี้จะนั่งกด<ม>จะนั่ ง, ม, งมุงไหมคะพระอาจารย์ยสติสตังมันดีกว่าดีมากเลยพระอาจารย์<ม>แล้วก็ปั๊บเดียวเองนั่งไปนั่งมาอุ้ยไม่ป๊บเดียวสาสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็พี่พระอาจารย์บอกตัวเองก็ตึก มีสติตได้วเนตอนตื่นนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆะอาจารย์ก็เขาได้ทั้งเกือบทั้งวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก็เลยไม่มีความทุกข์ประหลัยเขาเห็นความจริงได้ตลอดเหน็นนั้นเห็นแบบตินหน้าอมไฟอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีต้องขอบคุณพระอาจารย์เลยค่ะทางทางคู่ขาเราเป็นยางไงอ๋อพี่หนุ่มก็ดีขึ้น พี่หนุ่มก็ดีขึ้นนะเพราะเห็นเราตั้งใจไงเขายังบอกเราเอ้ยทำเยอะไปหรือเปล่านั่งบอกเอ้ยไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราเขาก็เห็นว่าเราไม่ไม่ง่วงเลยเขาก็เลยทําเออต อ, ตอนนี้เนี่ยก็เขาทำสองวันก็คือพ า, พามาด้วยกันนะคะก็ทำสองวันอย่างที่บอกพระอาจารย์เดียรพระอาจารย์แต่เราก็ถือศีลแปดตอนนี้ยังอาจจะเหลือแค่วันเสาร์วันเดียวเพราะว่ายังเหลือวันเสาร์วันที่ยังไปตรวจอยู่เพราะเขาขอบว่ายังอยากทํางานอยู่สักวันหนึ่งคือเกษต์แล้วก็ยังขอทําวันนึงก็เลยอ่าโอเคแล้วแต่ของตัวเอง หมดแล้วนะคะพระอาจารย์ปล่อยวางนี้หมดเลยทั้งเรื่องของงานเรื่องของสังคมเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ไปเลยคระอาจารย์รู้สึกว่ามันมันเบื่อแบบไม่ได้เศร้าหมองนะพะอาจารย์คือรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากมาเกิดจริงๆแบบต้องยังตั้งใจทถอมันแบบไม่อยากมาแล้วว่ะอาจารย์แต่ไม่เศร้าหมองนะพระอาตัดได้ตัดไปอัดมดเลยคระอาจารย์ไม่ช้ากันเลยว่าต้องก็ต้องถูกไฟบังคับให้ตัดอยดีขอบะอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะันต่อแล้ คุณนอนแล้วน้องจะยังไงระดมทุนมาช่วยทางเหนือยังก็บริจาคไปเท้วแล้วค่ะอาจารย์รับบ้าไม่ได้เป็นโตผัวเลยไม่ได้เป็นพวกไม่ไม่ไม่ไม่งานยี้ไม่ค่อยถนัดไม่ได้ก็อะไรใช่ค่ะช่วยปัจจัยได้ก็ก็ช่วยบริจาคไปให้คนที่เขามีมีกำมีอะไรหน่อยมีพลังมีทีม มนช่องทางมีทีเพราะน้องใช้คนเยอะนะใช่แล้วที่มันมันมันเยอะอย่างนั้นแหะจะทําให้จะไม่ใช่จริตเท่าไหร่เพราะว่าอย่างนั้นมันจะแบบยุ่งมากมันอมันอยากก็เอาใช้สนับสนุนเป็นปัจจัยไปให้คนที่เขามีทีมมีเครืองไ้เครื่องมือเคไม้เครื่องมือใช่คจรย์ก็เป็นอย่างนั้นซมากกว่าอ่าก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่า นักปฏิบัติไม่ต้องไปวิ่งเตอย่างก็ทําได้บ้างบางโอกาสว่ามันมันมันม่เหตุจําเป็นต้องช่วยเหลยกันก็ต้องช่วยเหลยกันเป็นว่าเป็นภาพภาพไปก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็ก็พอมีเวลาก็เนียนั่งปฏิบัติก็ได้ความสงบบ้าะถ้ามันไม่มีกิจกรรมมากมันก็สงบได้ดีค่ะอื อ่ีก็ไม่มีอะไรยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปที่เขาอีกเลยเดี๋ยวต้องจัดตารางนิดนึงช่วงนี้ y ung, y ung, y ung ยุ่งยุ่งก่กับงานอื่นๆที่สำ น, นักงานอืมก็พยายามทำไปนะค่ะา่านดีค่ะเออีโอกาสก็มันมีความสงบมันก็สุขแบบน่าจะอืมก็ความสุขอยู่ที่ความสงบนะั่นแหละใช่ค่ะ มันไม่ไดเรื่ออันอื่นแล้วกว่ความสงบนะไม่มีใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เอาก็จะสังเกตตัวเองว่าไม่ได้เอาอะไรเก็บมาเป็นเกิดไม่ไม่ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์คือไม่ไม่ไดเอามาเก็บเป็นความความทุกข์ในแต่ละวันเลยนะคือไม่ไม่เคยเอากลับมาเก็บมาคิดต่อไม่มีเอาขึ้นกับย้อนเอาอดีตมาคิดอะไรเงี้ยไม่ไม่มีก็เลยรู้สึกว่าอื่นเนี้ยคงก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรา ไม่ต้องมีความกังวลอะไรมากไม่มไม่ได้แบบมีทุกข์มากแต่การไปดึงเอาอารมณ์ในอดีตมานั่งคิดแล้วคิดอีกะอะไรเงี<ม>้ยเราผ่านแล้ก็จบไปวางไปใช่อดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงใช่อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่ยืดไม่ติดอืมใช่คาสอนนี้บบดีมากเลยอาจารย์ตอนแรกก็ยังแบบนี่มันยังไงพอเราเริ่ม เริ่เข้าใจเรื่อมลองเอามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันเองอะไรเงี้ยก็มันก็ช่วยในการด like ํำรงชีวิตให้ไม่ต้องแบบคือความคนที่เขาชอบบอกเครียดเครียดอะไรเงี้ยเราก็พอเข้าใจว่าเพราะว่าบางทีไปเอาเรื่องเดิมเดิมมาคิดแล้วก็คิดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เครียดไม่เลไม่เลยว่ากังวลในอนาคตมากก็จะเป็นความเครียดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยําใจให้ว่ากอยู่ในปัจจุบันด้วยกันพุทโธพุทโธไว้เอาพุทโธนี่ดีมากเลยนะจ๊ ก็ไม่ได้ม่ได้มีอะไรครับอาจารย์ก็ขอพระอาจารย์ถ้าขันแข้งมีโอกาสจะไปกราบพระอาจารย์ไดหอเป่าใช้ชื่อยาวจาไม่ได้คุณคุณแนกับคุณป้าใช่ไหมกาบนมัสการขอพระอาจารย์เไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับแนทกับป้ากับเพิร์นไม่ได้เข้ามาสองสัปดาห์จะติด ภารกิจแบบมีภาระทั้งโลกวุ่นวายบางบบางบางงงสัปดาห์ครับก็เป็นธรรมดาแต่าตามฟังตามฟังอยู่ครับอาจารย์เข้าไม่ทันก็ตามฟังอยู่ฟังเองกส่วนให ญ, ญ่ก็เรื่องจำเดิมเรื่องศีลสมาธิปัญญาครับคมาเอากำลังใจคพระอาจารย์ยังยังวันนี้ผมเลยมีคำถามว่าอาจารย์พระอาจารย์เกินมาพอดีว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาแบบบางทีอย่างผมเองก็ ถือศีลห้าอย่างเช่นคัดมามานานหลายๆลยปีแล้วครับอ า, าจารย์แต่ว่าพออจะคิดว่าการปฏิบัติมันไม่ค่อยก้าวหน้าอยากจะถือศีลแปด บ, บ้างแต่ก็รู้สึกมันมีกิเลสมาคอยต้านอยู่เป็นประจำอะไรเย่างี้ครับอยากให้พระอาจารย์นอแนะนําสําหรับที่จะถือศีลแปดใหม่ๆแบบมือใหม่บ้างครับพระอาจารย์เถิดอาจารย์มีข้อชี้แนะครับก็อลองทําน้อยไปหามากก่อนได้ อาจจะวันหนึ่งยงไงเช่วันพระหรือวันหยุดทํางานเนี่ยที่เราจะสะดวกในการรักษาศีลแปดเก้เาแค่วันหนึ่งก่อนใช่ไหมต้องคนจะเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทํางานจะได้ไม่ต้องไปอไปมีความกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็ถ้าไม่ทํางานเราก็จะได้มีเวลาที่จะมาเจริญสติ ก็ที่จะคอยคอยรักษาจิตใจไม่ให้ไปทำทาผิดศีลได้แต่ถ้าเป็นวันที่ทำงานเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะรักษาสติได้เจริญสติได้เดีย๋ยวก็ถูกความอยากของการวันนุ่มเล้าก็าจะรักษาไม่ได้ผมก็พยายามจะแบบเหมือนตั้งใจว่าจะถือศีลแปดสัปดาห์ละครั้ ง, งพระอาจารย์ที่ผ่านมาแต่แบบ พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็จะเหลือแบบเจ็ดเหลือหกแบบด้วยความที่พอไปเข้าสังคมบางทีแบบอาจจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถหน้าสดได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็แบบไม่ได้แต่งหน้าแต่อาจจะแบบต้องทาแป้งอย่างน้อยให้มันเนียนๆไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เรื่องการอาหารก็พ อ, อได้ค่ะก็ไม่เป็นไรตอนเริ่มต้นก็อาจจะไม่พบทั้งเต็มน้อยก็ดีกว่าไม่ทําเลยดีกว่าไม่ข้อไหนเราทําเพิ่มได้ก็ทําไปอื ม, อมค่ะ ก็ค่อยๆขยับเพิ่มมันให้มันเต็มรอ้อยต่อไปก็ oh a, ลดการดูสื่อที่มันเป็นแบบสื่อทางโลกนะเลยน่้มอศพมันเท่ ต, ต่างค่ะใช่ค่ะได้โอกาสถ้าคือไม่ครบแปดแต่ก็วันนั้นก็จะดีกว่าวันอื่นๆหน่อยว่าไม่ไม่ไม่ไปเปิดดูสื่อดูดู u t u ู <ử. S 1> e อย่างอื่นที่ไม่ใช่ธรรมะแบบ อ, อย่างนี้ได้สบงบลงแทนจะว uh ุ่น<ช>วายกับเรื่องที่เราดูเยนีอย่นอใจเราก็วุ่นวายเครียด วิตกกังวลไปกับสิ่งที่เราดูโดน okay, ต้อ ง, ง, ต, องต้องมีวันที่เราต้องมีความตั้งใจเราต้องมีมีแผนการแผนการปฏิบัตินะวันไหนสักวันอาทิตย์หนึ่งก็อาสักวันนึ่งเช่แปดไม่ได้แปดก็เจ็ดก็ยังดีครือหกก็ยังดีกูแท้แต่ ซึ่งซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำได้ก็จะทำให้การภาวนาเราดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะมันมั น, ม, นมันสกัดพวกนิวรนพวกตัวที่มาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นเวลาถ้าเราไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันโอกาสที่จะง่วงนอนมันก็จะน้อยลงเวลานั่งสมาธิในตอนเย็นถ้าเรากินอาหารเย็นแล้วเขามานั่งสมาธิตอนมันก็จะหลับนะครับ น้องนำไปไปปฏิบัตินะฮะลองนึกถึงคาสอนพระอาจารย์อยู่เรื่อยค่ะในในแต่ละวันคอาจารย์เด้อขอบคุณพระอาจารย์มากคอ่าคุณนาิตาไนาิตาเคล่อยคลาดครับอาจารย์อะไคําถามกี่คาถามวันนี้มีเรื่องกีกับเรื่องสมาไมกับเรื่องสมาอีพก็ค่ะ น้องกับสวัสดิ์ได้น้องกับนวัต ก, การครับอาจารย์เจ้าคะเออถ้าเราเลี้ยงชีพโดยเรารับปัจจัยสี่ทุกอย่างเลยนะเจะ้าคะทั้งทั้งอาหารทั้งกรารรักษาโรคที่อยู่เพราะว่าตอนนี้เราป่วยเราไม่ได้ประกอบอาชีพจากจากพูดที่ประกอบอาชีพนึงซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเช่นว่าไม่ได้ให้สวัสดิการ พนักงานตามกฎหมายร้อรเอร์เซ็นหรือว่ามีไม่ตรงไปตรงมากับลูกค้าบ้างอย่างเนี้ยค่ะทำมาอาชีวะเราจะขาดเลยเจ้าคะเพราะว่าพยายามจ ะ, จะเจริญตามมั่งแปรดวงแต่รู้สึกว่าอ๋อไม่เกี่ยวกับเราการที่ทำมาอาชีพของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราอ๋อถึงถึงการรับเราจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมเจ้าคะคือการท้าเขาให้โดยโดยสุดจริตใจแล้ว เ, เราก็รับได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ที่มาของทรัพย์นั้นใช่ไหมเจ้าคะ ไม่สําคัญหรือเขาเป็นโจรเขาไปขโอมออยเงินมาแล้วก็จะมาทมําบุญก็รับได้โอ้โอ้เจ้าคะแล้วสมมติว่าเราจะได้รับพรระดกอย่างเงี้ยเจ้าคะเป็นตึกแต่ว่าสึก น, นั้นเคยได้รับการต่อเติมโดยไม่ขออนุญาตอย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วเ ร, เราทําไงเจ้าคะเรารับได้ไหมเจ้าคะไ่าเพราะมันไม่ได้เป็นความผิดของเราการกระทาทเป็นของคนที่เขาทำมาก่อนเราอ แตถ้าเกิด แ, แ, แต่ถ้าเกิดทางราชการเขาจะมาเอาผิดตอนที่เราเป็นเจ้าของเราก็ต้องเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบไปแล้วทีนี้ถ้าเราจะขายตึกอะเจ้าค่ะสมมุติว่าเราได้ตึกมาแล้วเราตึกมันมีชั้นที่ต่อเติมผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตแล้วเราได้ตึกมาเป่าเปลแล้วเราจะขายตึกอย่างนี้เราก็ต้องจัด ก, การให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขายใช่ไหมเจ้าคะก็เริ่มเรบอกคนซื้อว่ามันเป็นอย่างนี้มาได้รับมาอย่างนี้ปราชญ์เอาไหมถ้าก็ไม่เอาก็ ตองไปทําให้ถูกต้องก็ไปขออนุญาตเสีอเจ้าขอบน้องกับโอ้คนพระอาจารย์แล้วค่ะเจ้าพระอาจารย์เจ้าพระพระอย่างนี้สมมุติว่าโจรรู้ว่าจโจรขโมยของมาแล้วมาใส่บาทพระพระก็รับได้ใช่ไหมเจ้าขอบรับได้รับได้สามดที่พระไม่ได้ไปสายเขาไปขมโมยของมาให้งขานองโอ้ขอบขอบคุณพระอาจารย์โมงใจขึ้นมากเลยเนาะคะ่ะแล้ว สมว่าอย่างนี้พาชาตินี้น้องคือสิ่งต้องปริสุทธิ์ขนาดไหนถึงขั้นว่าพอดีผมว่าเราต้องซื้อยาจากโรงพยาบาลซื้อแต่ว่าไปซื้อข้างนอกมันถูกกว่าเพราะเราหาเอกชนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วยาเนี้ยต้องใช้ใบสั่งแพทย์แต่ร้านขายยาที่เราไปซื้อเขาเขาไม่เอาอ่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ายังซื้อได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเราที่ไม่ต้องให้ใบสั่แพทย์เขาเจ้าค่ะก็มันเป็นควารปลอดภัยของเราถ้ามีใบสั่งแพทย์แพทย์จะได้ จะ้รู้ว่าเราต้องการยาชนิดไหนจะได้สั่งยาให้ถึงแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นยาชนิดเดียวกันเราไม่ต้องไปขอแพทย์เขาก็ได้ถ้ามีนานร้ออานขายก็จะหาแล้วก็ซื้อมาได้โอ้แล้วถ้าแม่บ้านแม่บ้านไม่มีใบขับขี่แล้วแม่บ้านก็เวลาให้ไปซื้อของแม่บ้านก็ชอบก็จะต้องขับรถย้อนสอนไปซื้อ ถ้าไปสั่งให้เขาไปทําใบขับขี่หรือคสั่งให้เขาขับรถตามสอนไกลๆไปค่อยไปยูเธอเนี่ยเขาก็จะออกแล้วพ่อแม่ก็ชอบให้เราแบบเขียนใบสั่งจดกระดาษว่าต้องไปซื้ออะไรบ้างให้เราไปสื่อกลางไปสื่อกับแม่บ้างให้ไปซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องอ่ะแล้วสีมันก็รวมถึงความปกติของสังคมด้วยอย่างนี้แล้วแล้วเราเราเราต้องเราทำตาๆนี่สินสินเราผิดไหมคะล่ะคะไม่ใช่เราเป็นคนทำผิดนนคนทำผิดก็คือนคนขับรถนะ เวลาเขาถูกจับก็เขาก็เป็นคนเปนต้องไปรับโทษไม่เกี่ยวกับเราการที่เราไปคนสั่งให้เขาไปซื้อนี่เราไม่การสั่งซื้อไม่ได้สั่งให้เขาไปทํำบาปที่ไหนไปซื้อของก็ไปซื้อของตไปนี้เราสั่งเขาได้ตามสบายใจเลยได้แล้วก็เมื่อถูกจับก็อาจจะขึ้นสองแถวไปหรือขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา แล้วงั้นงั้นขอถามเรื่องาการปฏิบัติอีกตะข้อหนึ่งได้ไมจ๊ะคะว่ามานสุดท้ายนะจ๊ะค่ะเอ่อคือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้มาหาพระอาจารย์สามอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาไปถามหลวงพี่เรื่องศีลจะสอมาอาชีพนี่แหละจ๊ะค่ะแล้วอาชีวะเราก็หลงพี่บอกว่าคุ้มมากให้หยุดฟังธรรมะไปสองอาทิตย์ให้หยุดฟังหมดเลยให้ปฏิบัติอย่างเดียวพอหยุดฟังธรรมะก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าส่งออกเยอะ ก็ส่งออกเยอะอย่างนี้แล้วอีกอาทิึงมันึ่งมอนว่วงนอนนะคะแล้วไม่ได้เข้ามาทำงานวิจารณ์แล้วก็คือก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าเห็นตะค้าวข้างในเยอะกว่ากว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะค่ะมันมันเห็นใจรักมากกว่ามันมันรู้สึกว่ามันแยกคาดแยกฉันจะมากกว่าพอมาอาทิตย์นี้มันเหมือนกับมันอยู่กับธรามถา เยอะกว่าวิปัฒนาเยอะเลยเจ้าค่ะแล้วที่นี้มันผิดพลายไปตรงไหเนเนี่เจ้าค่ะหรือว่าต้องทํำยังไงให้หรือว่าปล่อยมันไปตามนั้นเลยก็ค่ะก็มันอยู่ที่สติของเราคึ้ขึ้นลงลงถ้ามีสติมากเราก็สามารถควบคุมใจให้สงบได้มากพอสติน้อยมันก็เลยออกไปตามความคิดปรุงแต่งถ้าต้องการให้มันสงบก็ไปายามฝึกสติให้มากๆระหว่างวัน คืออยู่กับียาบทใช่ไหมเจ้าคะอยู่เกียรยาบทแล้วอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปให้มันคิด <Okay. S 1> มันก็จะสงบง่ายง่ายถ้ามันไม่มีสติมันก็จะคิดไปเรื่อยไปแล้วเราก็จะไรีว่าเป็นปัญญามันอาจจะไม่เป็นปัญญาก็ได้มันอาจจะเป็นความพุ่งสร้างกนได้ <Okay. S 1> แล้วอยู่ที่สติ ตัวตัวกุญแจสำคัญก็คือตัวสติเนี่ยพยายามมันจเจริญสติให้ ม, มากๆแล้วใจก็จะได้สงบแล้วเวลาคิดทางปัญญามันจะคิดแบบสงบไม่ได้คิดแบบฟุง้งซ่านก็ขอพี่มณ์พระอาจารย์รัก่าพระสันต์ด้วยนะพนะค่ะคุณโอพีเค ตัวผลตรงไปเรื่อยๆตอนนี้ทำ ก, ำ ก, กทร า, า, ารนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็กลับมาทานไว้เดียวเหมือนเดิมเจาาา้าค่ะอาจารย์อก็ยังเต็มเต็มถังอยู่เจาาา้าค่ะแต่ว่าวันทุกข์ก็ยังฝึกนั่งนิ่งๆอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ทุกวันพุธแล้วก็งดทานข้าวไปด้วยเจาาา้าค่ะอ๋อเดีในไงผลดีไหมอันนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยเจ้าค่ะอาจารย์มีมีไม่ค่อยนิ่งบ้างนิ่งบ้างอะไรอยู่เจาาา้าค่ะอืม ยังปฏิบัติอยู่จ้าค่ะแต่ว่า <Okay. S 2> ไม่ไม่ให้แบบว่าเครียดเกินกับการปฏิบัติอย่างนี้จ้าค่ะพระอาจารย์อต้องมีสติปฏิบัติสติแล้วจะไม่เครียดเจ้าค่ะถ้าไม่มีสติมันจะอยากอย่างแล้วมันก็จะเครียดเพราะมันไม่ได้ดังใจอยากเจ้าค่ะงัง้นอยากทิ้งสติต้องฝึกสติให้เก่งก่อนให้ชํานาญก่อนอก็พยายามอยู่จ้าค่ะพระอาจารย์ จะค่ะก็คีนี้ก็ไม่มีคําถามอะไรจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างดีเจ้าค่ะกรทั่งพอาจารย์รักษาพระคันนี้นะเจ้าค่ะอันนี้คุณมานิกาณารถิวาตลงรงไม่ได้มากับเพื่อนนะกลับน้ำมัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเพื่อนกลับไปบ้านได้ยังเพ่อนกลับได้ยัยังยังยังยังอยู่ปากพายอยู่อีกค่ะพระอาจารย์ยังไม่ได้กลับไปบ้านตอนหลังพระอาจารย์ ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ได้ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อนะคะว่าาจารย์นะก็ mm hmm. ในเรื่องของการปฏิบัติก็ได้มองอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็เป็นถ้ามองให้เป็นธรรมเราก็มีความสุขก็เหมือนกับที่อาอุสาพูดนั่นแหละว่าพ่อผาจั์บอกว่ามันเป็นเรื่องของทุกขังอนิจจังและก็อนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ แน่นอนในเที่ยงแต่เจาา้าค่ะพระอาจารย์ก็ทำใจได้ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติอยู่เจาา้าค <Okay. S 1> ่ะโอเคไม่มีคําถามว า, างเฉยวางเฉยเห็นอะไรก็สักจะว่าเห็นได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินเจ้า่ะพระอาจารย์ก็พอพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราประสมเราก็จะจะนิง่งแล้วก็ใช้คาถาของพระอาจารย์โยมหยุดแล้วก็ยนิน ค่ะพระอาจารย์ดีมากอย่างนี้ไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้ก็พยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามที่จะทําให้ได้มากที่สุดก็นึกว่าในช่วงจังหวะที่ว่าอืมนะเราก็พลาดตรงนั้นไปแล้วก็ก็ก็พยายามที่จะทํำช่วงนี้ก็พยายามที่จะทําก็บอกว่าเราอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมในสิ่งที่ ความมุ่งหวังก็คือมรรคผลแลนิพพานนะครับพระอาจารย์อืมถูกต้องสาธุค่ะสาธุลูกไม่มีคำถามแล้วญญญญเจ้ า, า, กกาค่ะพระอาจารย์เป็ไปที่คุณสันนี่ต่อสันนี่แบงครับค่ะนิมัสการค่ะพระอาจารย์ปลายเดือนตุลาหนูวางแผนจะไปออปฏิบัติธรรมบนเขาค่ะ เดือนเดือนหน้าเดือนตุลาก็เลยตั้งใจว่าจะถือถือศีลแปดพยายามถือศีลแปดให้ได้ทั้งเดือนค่ะเพื่อเพื่อฝึกสติด้วยอะค่ะพระอาจารย์อืมดีถือแปดนี่เป็นจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติใช่ค่ะสนับ น, นุนสมาธิใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนที่เคยไปปฏิบัติธรรมเออไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได ไม่ได้เตรียมตัวก่อนไปค่ะก็คือทํางานทํางานแล้วก็วันวันที่จะไปก็คือไปปฏิบัติธรรมเลยก็รู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเวลาระยะนึงเลยค่ะที่เหมือนจะทําให้จิตมันเริ่มสงบได้มันเหมือนไม่มีพลังมาก่อนนะคะใช่จิตไม่ใช่อยูด่ดีจะสั่งมันให้หยุดได้ใช่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่พอาจารย์เคยเปรียบเทียบแล้วค่ะเหมือนเหมือนขับรถมาเร็วๆแล้วเราจะแบบเหยียบเหยียบเบรคมันก็ไม่ได้หยุดทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนจะหยุดก็ต้องไปนั่นน้อยเมตรไปแล้วนีบางทีจะแหกโค้งด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยหยบเบรกไว้ล่วงหน้าก่อนใช่ค่ะตั้งใจหยียบเบรกตั้งใจจะลองเหยับเบรกไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมว่าจะได้ผลดีขึ้นไหมค่ะแต่ว่าหนูแต่ว่าหนูต้องทํางานเกือบทุกวันแล้วก็เวลารับประทานอาหารก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะพระอาจารย์ถ้าเรา กำหนดว่าไม่ให้เกินบ่ายสองมันจะมันจะมันจะเรดไปไหมคะพระอาจารย์ไม่หรอกถ้าเราถ้าเราทําได้แบบนี้ก็ทําแบบนี้ไปเพราะการทํา ง, งานเรามีเวลาพักกินอาหารเราจะไปกินตามก่อนก่อนที่เขาให้พักไหมมันก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับสินของเราให้มันเข้ากับสภาพความเป็นจริงของเราแต่มันก็เหมือนกันะ ก, ก็คือให้กินเนาะ ไม่ให้กินมากให้ไม่ให้กินหลังจากเที่ยววันววเดิเือกช้าก่อนนั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะแต่ก็แต่ก็คิดว่าพยายามจะไม่ให้เกินบ่ายโมงค่ะถ้าถ้าไม่มี เ, เหตุผลวิสัยจริงๆใช่ค่ะไม่แค่ชั่วโมงเดียวนะม่เป็นค่ะพระอาจารย์หนูก็จะตั้งใจปฏิบัติค่ะดีมากทำไปเถิดเราจะเห็นผลตามมาอย่างแน่นอนนะ อ่าจารย์มีมีคําถามนึงค่ะพอดีเมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์บอกว่าเอา่อที่พึ่งสุดท้ายของร่างกายก็คือคุณหมอแล้วที่พึ่งสุดท้ายของใจคือธรรมใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือธรรมนี่แหละธรรมเป็นธรรมังสาระนักชามิสติปัญญาเป็นที้เพิ่นของใจถ้ามีสติปัญญาแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรต่างๆกับความเป็นความตายกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นสติปัญญาเป็นธรรมของของเราหรือว่าเป็นหมวดไหนเป็นพิเศษไหมคะก็เนี่ยที่เราไปฝึกพุทโธพุทโธนี่ก็ฝึกสติการที่เราพิจารณาตายรักนี่ก็เป็นปัญญาการนี่ให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายร่างเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเราต้องแก่เจ็บตายเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถไปควบคุมบางครั้งมันได้ก็ปล่อยมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเราห้ามมันไม่ได้ถ้ายังห้ามได้อยู่ห้ามไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไปตามสภาพของมันน่เราก็จะไม่ทุกข์ <Okay. S 1> อันนี้คือปัญญาอ <Okay. S 1> แล้วแล้วถ้าเราจะหยุดปล่อยได้แล้วต้องมีสติมีสมาธิ ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ยังปล่อยไม่ได้ยังยึดยังติดอยู่ยังอยากอยู่ให้ต้องฝึกสติ ใ, ให้เข้าสมาธิพอ เ, เข้าสมาธิเราก็จะปล่อยได้ชั่วคราวพ อ, อมาถ้าก็ใช้ปัญญาให้สอนให้ปล่อยอีกทีก็จะปล่อยได้ตลอดลเวลาใช่ค่ะพระอาจารย์หนูจะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะอ่ะาถูกหากลูกตาลเชิญลูกตาลเชนิญเลย นามาสการค่ะพรอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะไม่เคยมีเลยมนะั้มีก็ว่าดีมันไม่มีคําถามแ ส, สดงว่ารู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วไม่ไ อ, อาจารย์ยังต้องรับค่ะโอเคขอให้ปฏิบัติตราบกันนะค่ะปืนขยังนั่งสมาธิดุจอาจารย์ได้นั่งสมาธิตทางปัญญาบ้างทุกอย่างไม่ที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นของชั่วคราวสมบัติชั่วคราวอาจารย์คะถ้าเราถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแบบแบบพื้นฐานแบบแน่นๆเลยเนะะี่ยค่ะจะมันจะไม่ไม่นำไปสู่การปล่อยวางใช่ไหมคะมันยังปล่อยไม่ได้ว่ายังไม่ไปถึงฐานของจิตที่เราจะต้องนิ่งเฉยเวลาเกิดความยึดติดความห่วงใยแล้วก็ปล่อยได้ แต่ถ้าเราอยากเข้าไปไม่ถึงฐานความความยึดเต็มยังสามารถที่จะดึงดึงจิตเราให้ไม่ให้ปล่อยวางได้<อ>แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลพยายามฝึกไปเรื่อยๆกันแล้กันในวันใดวันหนึ่งมันก็จะเข้าถึงได้่ปฏิบัติทุกวันก็คือจะจะส่งผลให้เราทําได้ใช่ไหมคะต้องปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าทุกวันเท่าเดิมเท่าเดิมมันก็จะได้เท่าเดิม<อ>ต้องเพิ่ม ปริมาณการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งเท่าก็เป็นสองเท่าจากสองเท่าก็เป็นสามเท่าอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะมีกําลังมากขึ้นนะจ้าจ้าท่านคุณมาเลยวุฒากาญจน์อาจารยสงฆค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมก็ หนูก็ยังปฏิบัติทานสิงภาวนาสติสังวรนิปัญญาแล้วก็ยอมรับแล้วก็ทําใจรักษาใจค่ะหลวงพ่อปล่อยวางไม่รีตกไม่กังวลไม่มห่วงใยใครนะค่ะแล้วมันก็มีมีเหตุการณ์มีเรื่องอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อถ้าไม่ได้มาฝึกปฏิบัติแบบเนี้ยก็คงทําใจไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็ตั้งสติแล้วก็ อยอมนั่งกับยามน้ํามันไปใช่ค่ะหลวงพ่ อ, อก็เกี่ยวกับเรื่องลูกอะไรเงี้ยแค่ชั่วพิบตาเดียวเองมันทําให้ให้เห็นเห็นความไม่เที่ยงเห็นเห็นเป็นทุกข์แล้วก็เราก็ไปคาดเดาหรือบังคับไม่ให้มันไม่เกิดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ค่ะก็ดิน้าก น, น้ําท่วมตอนนี้เจียงรายแล้วก็ห้ามไม่ได้สั่งมันไม่ได้ค่ะหลวงพ่อ แค่แค่ก็พิษตาแป๊บเดียวเลือดเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แต่ก็ตั้งสติค่ะ mm hmm. หลวงพ่อแล้วก็ mm hmm. ทำอะไรเช็ดเลือดเช็ดอะไรเสร็จก็พันแผลแล้วก็เอาไปที่ทํางานคนที่ทํางานเขาบอกทําไมใจเย็นทําไมไม่เห็นตื่นเต้นรีดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. หนูก็ดูแลตามสภาพไปอ่ะหลง่อ mm hmm. แล้วก็จนสายแล้วค่ะ เก้าโมงสิบโมงเกิดเกิดเหตุตอนประมาณก่อนหกโมงช้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็พาไปโรงพยาบาลค่ะหลวงพ่อก็กลับมาก็ปกติเหมือนไม่เกิดไม่เกิดอะไรขึ้นยนะอย่างเงี้ะค่ะหลวงพ่อก็รู<น>้สึกใจรู้สึกเจ็บหายแล้วก็ตอนนี้ยังยังค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันวันเสาร์ถึงจะต้องไปไปแบบที่ว่าไปตัดไหมที่เย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวง ก็ดูแลไปตามสภาพค่ะหลวงพ่อใช่ถ้ามันไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดค่ะหลวงพ่อพอพอเห็นเลือดเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเองค่ะหลวงพ่อเราวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งถ้าเราเผลอหรือเราไม่มีสติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อก็ก็เช็ดเลือดทําอะไรไปตามปกติค่ะหลวงพ่ อ, อมไม่ได้ไม่ได้แบบ แต่ถ้าเป็นตะก่อนที่ไม่ได้มาฝึกปฏิบัติแบบเนี้ยคงคงจะยากอาจจะเป็นลงเลยหลือว่าคงจะรับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นพอพออกมาจากห้องเห็นมันแดงเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อแต่แต่แต่เขาก็ไม่ร้องนะเขาก็ยืนยืนกำมืออยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเลือดหนูก็ไปเอาแว่นมาใส่บก็มองเขานึกว่า คงนิ้วพขาคงจะขาดหรืออะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นแผแลมันมีแต่เลือดอะค่ะหลวง่ออืมแ่้วหนูก็ตั้งสติก็เรียกพ่อเขามาช่วยแล้วก็หนูก็เช็ดเก็บเลือดเก็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปที่ทํางานแล้วสายๆก็พาไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะแต่คนอื่นคนอื่นที่เขาเห็นนะเขาก็บอกทําไมใจเย็นทําไมแบบเหมือนไม่รีบร้อนอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ออืมก็ก็ตามสภาพ ไม่ทำมันไม่พาไปหาหมอเลยน่ะไม่ไม่สนองก็ที่อยู่ที่คอน돔มันยังไปไม่ไม่ทันนะคะหลวงพ่อเพราะว่าต้องต้องเช็ดต้องห้ามเลือดกันก่อนนะคะหลวงพ่อมันพอดีมีดมันไปตัดเส้นเลือดพอดีค่ะหลวงพ่อค่ะก็เลยต้องต้องเบื้องต้นไปก่อนนะคะหลวงพ่อแล้วก็พอไปถึงที่ออฟฟิศแล้วค่อยพาพาเข้าไปไปหาหมอค่ะหลวงพ่อแล้วปรากฏว่าหมอบอกว่าต้องเย็บค่ะหลวงพ่อ ก็ไม่ได้ทํางานทั้งวันค่ะหลวงพ่อข้าวปลาก็ไม่ต้องพูดถึงก็เหมือนแบบแต่หนูก็ไม่ได้โกรธไม่ได้คือมันเหมือนมันเห็นเห็นความจริงที่เราต้องยอมรับแล้วค่ะหลวงพ่อถ้าไม่มีไม่มีธรรมะนี่มันมันคงทําใจไม่ได้แล้วเงินก็เสียเยอะด้วยค่ะหลวงพ่ออืมอ่ะมันมันเหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าเราไม่สามารถจะไปห้ามอะไรที่มันไม่ให้เกิดกับเราแล้วเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะมาอย่างเงี้ยค่ะ มีแต่ทําใจทําใจน<ำ>ับกับเหตการณให้ดีสุดเท่าที่เราจะรับได้ค่ะแต่พอกลับมาหนูก็กลับมาปฏิบัติของหนึ่งปกติค่ะหลวงพ่ออืมปฏิบัติก็ยังสงบได้มีความสุขได้ค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ไม่เก็บมไม่เก็บอะไรมาคิดพอถึงเวลานอนมันก็หลับแบบคนเหมือนคนไม่ได้คิดอะไระค่ะหลวงพอ่อดีถูกต้องค่ะสาธหลวงพ่อนี่แหละประโยชน์ของธรรมะค่ะ แล้วงพอเห็นเห็นคุณค่าแบบมันไม่มีอย่างอื่นที่จะมาเทียบได้อ่ะค่ะหลวงพ่อถ้าเราไม่มีตรงนี้มันจิตใจมันก็จะทุกข์ทุกข์แบบมันไม่มีที่ยึดที่เกาะมันก็คงจะไปหน้ามาหลังไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็ขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสงสอนทุกอย่างค่ะเนี่ยอันนี้สมวนขอการปฏิบัติเนี่ยมันจะ มันจะแสดงให้เราเห็นเวลาที่มีมียามวิกฤตมีเหตุการณ์ที่วิกฤตเกิดขึ้นค่ะคุณอย่างเราจะไม่รู้ว่าธรรมะที่เรามีนี่เป็นของจริงหรือไม่อือ ค, คือมันทําให้ใจเราแบบมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เต้นตามเหตุการณ์ได้อ่ะควงพ่อมันมัน<า>มันเห็นแต่ว่าเห็นแต่ว่าเห็นกแต่ว่าได้ยิน ค่ะแล้วเราก็ทำไปตามหน้าที่ว่าเราควรจะทำอะไรค่ะหลวงพ่อแล้วพอช่วงช่วงที่หนูก็เอาเอาเข้าไปที่ทำงานด้วยแต่พอถึงเวลาหนูก็ขึ้นไปปฏิบัติบนขั้วพระของโรยสัตรต์เป็นปกติเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเออต้องงดต้องเว้นต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะหลวงพ่อหนูยังปฏิบัติเป็นปกติค่ะพอดีค่ะหลวงพ่อโอเค ขอบพระคุณมากมากค่ะหลวง่อสาธุ <Yeah. S 2> ค่ะโยมแจนพิสเบิร์กโยมแจนมาสักการ์ดค่ะอาจารย์ไม่มีค <Yeah. S 2> ำถามค่ะ <Yeah. S 2> ยังปัดทุกวันเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้ก็คือได้เพิ่มเติมก็คือเท่าที่โยมฟังทุกคนมาก็คือโยมเนี่ยาอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ มีนิวรณค่ะต่อสู้กับ น, น, นิวรณ์เยอะแล้ววันนี้ก็เลยได้ฟังที่พระอาจารย์แนะนําหลายๆท่านนะคะเรื่องการปฏิบัติสินแปดใช่ไหมคะก็เดี๋ยยมคิดว่ายมจะจะต้องเริ่มแล้วค่ะพระอาจารย์เพื่อที่จะมาสู้กับ น, นิวรณ์นเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่สินท่าไม่พอกําลังไม่พอที่จะสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลต้องอาศัยสินแปดค่ะเดี๋ยวยมจะเริ่มแล้วค่ะพระอาจารย์ท่านลองดู ไม่ผิดหวังรัฐการได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าผิดหวังก็มาคืนไปคืนสิ้นแปดมาไม่คืนค่ะว่าจะเรื่องกานจะปฏิบัติค่พระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุสาธุค่ะบารมีรักษมณ์เบกคุณปุ้ยเป็นยังไงตามน้ำพระการ์เนี่ยพระอาจารย์ โยมสบายดีพระอาจารย์สบายดีไหมคะก็สบายดีจ้ะโยมปฏิบัติตามพระอาจารย์ทุกวันสี่เจ็ดตอนกลางวันยกเว้นเมื่อวานนี้โยมเก่งมากคะ่ะพระอาจารย์โยมถือศีลแปดโยมไม่ออกไปไหนเลยโยมไม่เตกอย่างโยมก็ใส่สีขาวโยมก็นั่งนั่งสมาธิเยอะหลายครั้งหลายหนแน่ โยมรู้สึกมันเหมือนกับมันมีควันน่ะควัน ข, ขาวๆ อ, อ่ะออกมาจากกรูหูอย่างเงี้ยอันพอาจารย์แต่โยมก็รู้สึกมันเป็นความรู้สึกหลอกเราใชนั้นมันไม่เป็นความจริงให้รู้จักเฉยเลยอย่าไปสนใจกลับมาพุโทโธกลัมาภาวนาของเราไปได้เพราะอาจารย์สอนบอกว่าให้ให้พุโทโธพุโทโธแล้วก็ให้ดูลมตรงจมูกแล้วก็โยมก็ดูดูจนจนไปถึงจงจุด จึงกลางตรงหัวใจแล้วก็โยมเพราะโยมจําได้ว่าโยมอ่ะฟังหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าอย่าเอาจิตลงไปเพราะว่าเดี๋ยวขามันจะชาแล้วมันจะเจ็บแล้วเราจะไม่ผ่านไอความเจ็บปวดโยมก็เพราะว่าถ้าโยมเรียนไปทันธรามกายเขาจะลงไปข้างล่างทีนี้โยมทําตามหลวงปู่มัน่นจิตโยมอยู่แค่นี้มันเจ็บรู้สึกเจ็บแล้วมันก็มันก็ชาชาชาชาแล้วอยู่ๆมันก็หายไปเฉยๆแล้วตัวมันก็เย เอีโยมก็พอเวลาโยมมานั่งอีกโยมก็จะนึกได้ว่าอ๋อเวลาเราจะเข้าสมาธิเราต้องทำอย่างนี้แล้วโยมจะเข้าพุโทโธได้อ่ะก็ดีดีมากและแต่ว่าเมื่อวันจันนะโยมเกเรมากเลยเหมือนผีมันหลอกโยมพระอาจารย์เพราะว่าโยมตื่นมาแล้วโยมฟังพระอาจารย์อ่ะมันเหมือนมีใครมาใส่พูดใส่หูโยมว่าฟังฟังพระฟังคนเดียว อย่ฟังหลายครับมันคือมันเหมือนมันเหมือนวิจิตหลอกโยมหลอกโยมเองก็ไม่รู้นะแล้วทีนี้โยมพระอาจารย์โยมฟังอยู่ดีๆโยมก็หลับไปเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วมันรู้สึกมันเหมือนไม่มีแรงยังไงก็ไม่รู้ลมโยมก็เลยขอขอขอพระพุทธเจ้าว่าขอนะขอให้โยมอ่ะประสบความสําเร็จในการเดินทางธรรมเพราะว่าโยมไม่อยากขี้เกียจแล้วโยมไม่อยากทาบาปแล้ว วันอังคารโยมก็มีกำลังแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยคือถือสีแบดได้เลยแล้วก็ทุกวันนะ่ะโยมก็จะสวดมนต์ตอนเย็นจะสวดตอนเช้าแล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะโยมรู้สึกสบายใจมากไม่มีไม่มีปัญหาค่ะคือใจมันเย็นลงค่ะพอาจารย์ถูกต้องแสดงว่ามาถูกทางแล้วยิ่งเย็นเท่าไหร่ยิ่งยิ่งถูกทาง ยิงการนี่ผ่านเข้าไปทั้งวันใช่เพราะขนาดวันมึงที่โยมโดนตัวโดนโยมโดนตัวตำรวจอ่ะก็เป็นโยมก็แบบหืมโอ้โหยังไงอยากด่าตำรวจแต่เดี๋ยวนี้แบบเฮ้ยไม่รู้สึกเฉยๆวะแล้วก็รู้สึกแบบเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะเออเดีถูกต้องแล้วก็เฉยแบบเฉยแบบไม่ต้องบังคับใช่มันเฉยของมันเองเฉยแล้วมันก็รู้สึกแบบแบบมันเหมือนแบบมีอะไรมาพูดกับตัวเองว่า ถืตัวพลาดเคาะไปเออใหญ่แค่เออมันไม่เอาชีวิตเราไปก็บุญและ อ, อืวก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเ อ, อ่อตั้งกราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็มาถวายบุญให้พระอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์ตัวจ๋ า, จ า, จ า, จามีความสุขมากๆนะตัวภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะให้เล่าไม่รวยสวยไม่สมั่งบานไม่รู้เลย <laughs> ขอให้กล์วยทุกมื้โอเคขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะไดาสาธุโยมปฏิบัติทุกวันอ่พระอาจารย์ดีมากที่คุณแม่น้องเลนต่อคมน้องเลนตอนนี้อาการดีขึ้นนย่าหน้าตาท่าทางนเสียงไม่เข้าเปิดมาแล้วเสียงไม่เข้าที่มันหา ตดัดสายออกเลนื่อยได้ยิ น, นอะได้ยินนะท้าตอดสายออกก็จะได้ยินเจ้าค่ะพระอาจารย์อก็ของหนูก็ลุยปฏิบัติหน้าที่ลุยเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยมีความเจ็บปวดร่างกายค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะตอนเด็กๆหนูเป็นคนขยันมากเลยค่ะพระอาจารย์ไปกับหลวงตาหาบัวเพราะว่าไป กับท่านเพราะวันหนูได้ยาขรูคะ่ะพระอาจารย์คือไปเพื่อดกินคะ่ะ mm hmm. ตั้งแต่เด็กคะ mm hmm. พระอาจารย์ผู้ใหญ่ชอบพาไปฟังธรรมที่สงสธรรมคะ mm ่ะพระอาจารย์พอโตขึ้นมาในปัจจุบันก็ลุยแข่งขันนะคะพระอาจารย์ตอนตอนเรียนนะคะพอมาเจอปัญหาเกี่ยวกับการข่าตัดมันก็เหมือนแข่งขันคะ่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับความเจ็บปวด นีแ่แหละค่ะความทุกข์อะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยได้ประสบการณ์ก็คือแบบลุยแบบลุยเลยะคะ่ะพระอาจารย์แต่หนูก็ดีใจนะคะมีครูบาอาจารย์มีพระอาจารย์ด้วะะูให้ค่ะอเพราะว่าตอนหนูผ่าสมองเสร็จแม่ไปอ่าบนไว้อะคะ่ะพระอาจารย์ถ้าหนูอาการดีขึ้นหลังผ่าสมองไปสี่ครั้งนะคะ่ะก็ไปแก้บนกับหลวงตาเยื้อ น, นะคะ่ะพระอาจารย์แล้วพอสักพัก หนูกลับมาแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูต้องปฏิบัติต่อก็เลยปฏิบัติกับพระอาจารย์ผ่านมือถือคะ่ะพระอาจารย์หนูกล็ลุยแต่ปฏิบัติเลยคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกอู้หนูมาเจอของดีนี่แหลคะค่ะพระอาจารย์คือแบบมันทําให้กล้าลุยแล้วก็ไม่ได้กลัวความตายนะคะพระอาจารย์แล้วมันก็เลยได้ใช้ประโยชน์จากธรรมนี่ยคะ่ะในการลุยงานในปัจจุบันได้คะ่ะพระอาจารย์ ่าไฟจ่ายแล้วก็เลยดีใจดีมากยึดธรรมธรรมะเป็นแนวทางของการดำเนินการชีวิตของเราให้แสงสว่างแห่งธรรมเป็นผู้นำทางเราไปนะเจ้าขาไาจ่ายการโอเคอันนี้สันนนนนินิทอมาริแลนด์ห่าํางละนี่กันมีแต่ปัญหาเดี๋ยวควเจ้านายเห็นแล้วนั่งเฉย อ่อนูหนูทางานที่บ้านค่ะแต่พอดีมันมีคําถามเข้ามาหนูก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเออแล้วหนูจะตอบเขาอย่างไรดีค่ะอาจารย์กันวัฒนกรารพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, คะก็หนูก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปฏิบัติปฏิบัติต่อเนื่องะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเหลวไหลมาสักพักนึงก็กลับมาปฏิบัติได้มากขึ้นนะคะอพอปฏิบัติขึ้นแล้วเหมือนสติมันเริ่มกลับมาค่ะอืนมันมันเริ่มอยู่ตัวกับพระอาจารย์ คือเวลาใช้ติใช้ชีวิตประจำวันก็เรื่อดีขึ้นค่ะพออยู่ตัวบ้าก็ปล่อยมันกลับไปเหมือนเดิมขึ้นขึ้นลงน้องนคุกน้น้คุกการไปก่อนนะค่ะว่าอาจารย์ก็แต่แต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็ไม่ยุดก็ก็นองนั้นก็ดีค่ะก็คิดว่าสองวันที่ผ่านมาก็สติก็ดีขึ้นมีสมาธิได้ง่ายขึ้นนั่งนั่งได้ไหวขึ้นค่ะสงบได้ไวขึ้น แล้วไม่มีเรื่องอะไรกวนใจอ่ะค่ะก็พยายามรักษาเอาไว้ค่ะค่ะก็ได้เป็นกําลังใจนี่แหละค่ะก็เข้ามานี่เข้ามาฟังเทศทางๆมันอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันนะเจ้าค่ะกลับขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้พระแข็งแรงค่ะคุณสุกัญญาเพชรบุเรีมีหลายชื่อกันอ่านตามภาษาอังกฤษมัง่ายกว่า อาจารย์ทนอทุกตาของทุกตาธรรมชสติของชาติบนโลกไม่ได้ยินย่าพูดดังๆเลยได้ยินไหมคะพระอาจารย์คะได้ยินแล้ว กลับมาเทศกาลเจกาค่ะวันนี้ลูกเข้ามารับฟังค่ะไม่มีคําถามใดลูกก็ยังปฏิบัติอยู่รักษาใจตนไม่ให้ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องโลกโลกมากเจ้ค่ะแล้วก็ฝึกตนให้ให้ให้มีสติในการทํางานทํากิจกรรมต่างๆอยู่เจ้าค่ะช่วยได้ไหมดีไหมช่วยได้ค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ปกติลูกก็จะทําอยู่แล้วก็ถ้าถ้าวันหยุดหรือว่ามีเวลาว่างลูกก็จะไปถือสิ่งแปลกนะ เค่ะไปเือที่อหที่วันเหรออ๋อปกติถ้าอยู่เพชรบุรีลูกจะไปที่สเสถียรธรรมสถานที่ขุเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานของแม่ซีคาร์ฉั<ะ>นจมีเจ้าค่ ะ, ะ, ะเป็นสาข า, า, าเป็นวัดซักเป็นสำนักสาขาใช่ไม้มใช่ค่ะเป็นเป็นคุณแม่คุณแม่ทํา เป็นหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเติมที่เป็นหุบเขาหัวลนแล้วก็คุณแม่มาอ่าลงลงมือมาสร้างเป็นสถานที่สัพพยาค่ะสวยงามแล้วก็ล่มรื่นแล้วก็มีคุณคุณแม่ชีท่านมาบวชอยู่หลายหลายรูปยิวเจ้าค่ะที่กว้างกว้างใหญ่ขนาดไหนประมาณสามร้อยกว่าไร่อ่ะค่ะโ็ใหญ่โตัว่ไ่นะแล้วก็มีบนเขาบนเขา ด้วยะคะ่ะแต่บนเขาก็จะอ่าเป็นอ่าเนื่องจากเป็นพุทธยานแห่งชาติเจ้ค่ะก็จะมีสัตว์ต่าบงทีก็จะมีทุกๆวันที่25คุณแม่ชี ก, ก็จะขนพวกน้ำหน้าแรงนะคะก็จะขนน้ําขึ้นไปอ่าให้เป็นแหล่งอ่าน้ําให้กับพวกกวางพวกสัตว์อื่นๆนะคะก็จะมีบ่าแต่ว่าก็จะไม่ได้มีขึ้นไปปฏิบัติบนเขาเพราะว่ายัางจะอันตรายถ้าเจอสัตว์ป่าด้วยะคะ่ะ แล้วที่สำนักนี้มีแต่ผู้หญิงใช่ไหมหรือ ว, ว่ามีผู้ชายด้วยว่ามีมีมีพ ม, มีผู้ชายที่จะเป็นอ่าอ่าเขาคับงานอยู่ประจำอะคะ่ะคือช่วยเหลืองานของของสเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็มีเด็กๆชนเผ่าปากะกายอที่คุณแม่ อ่าเอามาเป็นทุนให้น้องเด็กเด็กเรียนก็ช่วยช่วยกันอยู่ค่ะก็เป็นพ่อบ้านปปะประยอแล้วก็เด็กๆด็กปปกยอช่วยดูแลผู้เฒ่าเจ้าค่ะแต่ผู้ที่ไปปฏิบททัติธรรมนี่นจะเป็นผู้หญิงเงี้ยคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีบ้างเจ้าค่ ะ, ะก็คือแต่ละก็แยกแยกกันอยู่เจ้าค่ะถึงถึงไปด้วยกันแต่ก็อยู่ในคนละโซอยู่คนละนะใช่ใช่เจ้าค่ะอื ไปส่วนมากก็จะพักกุติกรมของของคุณแม่ที่ไปอยู่ตแต่แหลกๆเจ้าค่ะเป็นกุเตเดียวอยู่คนเดียวเลยอ่าเป็นเป็น เ, น เ, นเนบ้านดินกลมๆแล้วก็แยกเป็นห้องนะคะอยู่ห้องใครห้องวันเจ้าค่ะสง บ, บดีไหมสงบสงบดีเจ้าค่ะแล้วก็อืมเป็นสถานที่สัปเหรค่ะไปแล้วก็รู้สึกอ่ออบอุ่นใจรู้สึกสงบเจ้าค่ะ มี<ช>กิจกรรมอะไรทไี้ต้องทำบ้างในแต่ละวันก็อ่าก็ตอนชาวก็จะมีเก็บกุหลาบบางกุริยาก็คือการภาวนากายอยู่กับจิตอ่าจิตอยู่กับฌานนะเจ้าค่ะแล้วก็จะมีขึ้นเสียงคริสตัลโบนบำบัดเจ้าค่ะให้ให้เราได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนขึ้นสมองเจ้าค่ะแล้วก็จะมี อ่าช่วยดูแลต้นไม้เจ้าค่ะรดน้ําสถานที่แล้วก็ก็จะเป็นการอาทำวัดสดมลเย็นสาธยายมนก็จะมีท่องบทอ่ภิสูจน์ธรรมจากพระโอษของพระพุทธเจ้าอะค่ะก็จะเป็นการสาธยายมนท์ทั้งทั้งทั้งธรรมะเย็นธรรมะเช้าหลังจากที่ธรรมะเสร็จเจ้าค่ะแล้วก็วันถ้าถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะมี คุณแม่ชีก็จะเดินไปบินทะบะ ท, ที่ตลาดในในหมู่บ้านเจ้าค่ะก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไปช่วยคุณแม่ชีรับมาของอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะคุณแม่ชีกี่โลกอ่าปกติจะถ้าอยู่ประจำเลยอะค่ะก็จะมีประมาณ สิองรูปแต่ก็จะมีแม่ชีที่ที่มาปวดเรื่อยๆจากาสะเทียนธรรมสถานหนึ่งแล้วมาเรียนรู้ที่เนี่ยก็จะมาเรื่อยๆประมาณสิบรูปที่สิบห้ารูปแล้วแต่ครั้งแล้วก็เขาก็จะอยู่ต่อบ้างเก้าวันหรือว่าหนึ่งเดือนสามเดือนสําสหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็อยากจะอยู่ต่อตลอดชีวิตก็จะมีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะ ไปอยู่ที่กรุงเทพกันเจ้าค่ะเพราะว่าที่หุบเขามันมันมันอยู่ยากถ้าถ้าถ้าคนที่ที่ไม่เคย่าลําลบากอะไรประมาณเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าไอ้มั น, ม, นมันดูอยู่ลําบากอ่าไม่ไม่มีความเจริญเข้ามาอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในในกุทิยาน แบบกะตาอะไรประมาณนี้เจ้าคะ่ะไม่มี ไ, ไม่มีสักการะด้วยเจ้าคะ่ะแต่เป็นที่เหมาะกับการฝึกสมาธินะใช่ค่ะเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับฝึกสมาธิเจ้าคะ่ะมีการนั่งสมาธิร่วมกันหรือป่ามีมีเจ้าคะ่ะทุกทุกทุกการทาวัดสวดมนต์เสร็จก็จะมีการนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเจ้าคะ่ะใช่คะ่ะแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็จะ แยกกันปฏิบัติในวันเวลาหนูหนูไปก็หลังจากทาําวัสดุนวลเสร็จแล้วก็จะเข้ากุฏิตัวเองแล้วก็นั่งปฏิบัติต่เอตตตตเจ้าค่ะอเราจะให้อยู่ข้างมันได้ไม่กี่วันค่ะอปกติเขาจะมีให้ลงทะเบียนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอับป่าอับธรรมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ้าค่ะแล้วก็อ่าวันอื่นๆถ้าออ่ถ้าจะไปก็ไปได้เจ้าค่ะ ืแต่ส่วนใหญ่เขาจะกําหนดวันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดพิเศษประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอ่าคุณแม่ชีเขาก็จะได้ดูดูแลผู้ที่มา่าปฏิบัติธรรมได้ทั่วถึงด้วยแล้วก็อหลังๆที่เสถียรคุณแม่ชีที่อยู่ช่วยงานที่ที่หูบเขาโพธิสัตว์นั้นน้อยอะค่ะก็เลยจะจะต้องกําหนดวันให้กับผู้ที่เข้ามาจาปฏบิบัติเจ้าค่ะก็ต้องจองที่พักล่วงหน้าก่อนนะ ก็มีมีเจ้าค่ะเขาเขาขขก็จะมีจองให้ด้วยค่ะแต่ถ้าไม่พอเนี่ยก็จะมีอ่าเป็นเต็นท์เจ้าค่ะสามารถกางเต็นท์นอนได้จ้ะค่ะก็ถ้าไปแบบไม่จองก็อยู่ได้ไหมจริงๆอยู่อยู่ได้เจา้าค่ะต้องต้องเข้าไปขอขออนุญาตคุณแม่ชีนค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาก็เป็นสถานที่ปิดจะไม่ไม่ค่อยรับอ่าคนที่ วอกอิน <Walk> เข้าไปสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ในประมาณนี้ค่ะเข้าไปได้นะคะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงถึ ง, ถ, งถึงประมาณห้าโมงเย็นนะค ะ, ะก็คุณแม่ชีก็จะเปิดให้เข้าเยี่ยมสถานที่เพราะว่าที่นู่นเขาก็จะมีค๊บวงจรนะคะพาราสานทั้งการปลูกผักการเลี้ยงไข่่ ไก่ไว้แบบทําอาหารกินอะไรประมาณ น, นี้เจ้าค่ะเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็ก็ที่นี่ก็เป็นแหล่งที่อาอาหารให้กับอชุมชนเขตนั้นด้วยตอนเกิดสถานการณ์โควิดจะต้องต้องปิดหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ก็เป็นสถานที่ที่อา่าช่วยเหลือเกือก่อนบ้าชุมชนแถวนั้นด้วยเจ้าค่ะที่คุณแม่ชีสัตหีท่านท่านทําไว้เจ้าค่ะอืมก็ดี เป็นสำหรับพึ่งต น, นเองได้ไม่ต้องไป ล, ลูกเองก็ไปไปบ่อยค่ะไปช่วยไปไม่ใช่ไปแค่ปฏิบัติก็จะไปช่วยด้วยบางทีลูกเองก็จะไปอยู่กับเด็ ก, ดกปะปะกะยอไปสอนน้องเขาเพราะว่าเด็กปะปะกะยอก็เรียนเรียนเขาก็ต้องเรียนกับเด็ก ทั่วไปเลยประมาณเด้วยความที่เขาเป็นชนเผ่าเขาจะมีความที่ไม่กล้าแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยกล้าพูดพูนหนูอาจจะไปสอนการพูดคุยการเข้าหาผู้คนแล้วก็อาจจะมีไปช่วยน้องติวบ้างเพราะว่าเด็กบางคน ก, ก็เตรียมที่จะเข้ามาหาลัยเลยประมาณนี้เจ้าค่ะอืมได้ได้บุญได้กุศลอ้าวค่ะเพราะว่า อ่าลูกเองอยู่ทํางานอยู่เพชรบุรีเจ้าค่ะก็ใกล้ๆ ล, ล, ลูกก็จะเป็นหุบเขาโปรติสานนี่นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปอยู่ที่วัดยานเจ้าค่ะถ้ามีโอกาสเจ้าค่ะเดียไปหาที่สงบเพื่อปฏิบัตินะเจ้าคะเดี๋ยวจะดูจะกำลังปฏิบัติอยู่แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาลูกๆเองก็จะระลึกว่าอ่าถ้าเป็น พอ่าเพราะพุทธองค์ท่านจะทำยังไงถ้าเป็นสาวกของพุทธองค์ทำยังไงรู้ลูกก็จะเหมือนรั่ลึกทำข้อปฏิบัติมาม า, มาแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าปราณนี้ค่ะถ้าไม่ได้ถ้ามันผ่านไปแล้วก็มาละึกะที่หลังอีกครั้งหนึง่งเจ้าค่ะเพื่อเพื่อไม่ให้ตนนั้นอ่าทุกมากเกินไปหรือว่าหาอุบายเครื่องออกเจ้าค่ะดีจ้ะเรีนพระพุทธธรรมทั้สองเป็นแ<ม> น, <ม>นทางอ่าดีดีมาก ใชคะโอเคสาธุนะปรวัสการค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอ่ะไปที่กาแฟกอล์ฟโชว์ร่างตานี่เป็นยังไงวันนี้ยินเสียงต้องถอดสายออกอย่างงี้ว่าได้ยินไหมครับอ่าได้ยินแล้วครับเมื่อกี้เรื่องอาสมโพธิสัต เสียง ข, ขาดการอะไรครับก็วันนี้สัญญาต้องอยู่ที่สัญญาณมันกระตุกภ้ามันกระตุกเสียงมันก็นขาดการหายๆามีอะไรพูดไปดูเดี๋ยวจะฝากเอาห<ว>สวัสดีครับ<า>ได้ยินไหมครับเอได้ยินนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรครับวันที่ฟังเรื่องเรื่องอาสมไออาของเขาบริษัทกันเลยครับอที่ที่สุราษฎร์ก็มีก็มีครับ ของตั้งแตพุทธทาสครับเป็นส่วนโมกานาชาติครับในเมืองไทยเรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมเยอะครับต่างชาติเนะอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยนะใช่ใช่ส่วนใหญ่มีฝรั่ฝรั่งมาเยอะครับสนใจการปฏิบัติแล้วจะอยู่นานๆกันสุราษฎร์เป็นเมืองธรรมะครับแต่ว่าคนปฏิบัติน้อยอก็ ก, ก็ก็ไม่มีอะไรก็ รักษาศีลเจ็ดนะศีลเจ็ดศีลยังไม่แปดครับเมื่อวานก็ได้เจ็ดวันนี้ก็ได้นิดห น, นึงนะ่งแต่ว่าเขายังหมดไม่ได้นะอ๋อยังใส่เครื่องประดับอยู่ครับแต่ว่า พ, พวก ด, ดูหนังไม่ดูเพราะว่าถ้าดูหนังฟังทำดีกว่าครับอ่าก็ดีแต่ว่าใจิตใจก็สบายดีครับเมื่อก่อนรับงานเยอะตอนนี้เราถ้าเราเรารับงานเยอะเราทําแบบ ไม่เป็นเศรษฐกิจพ อ, พอเพียงเวลาเราโลกขึ้นมาเงี้ยเราจะอยู่ลําบากเราจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นครับถ้าเราปฏิบัติแบบพอเพียงมากน้อยสันโดษเนี่ยความสุขจะเห็นได้ชัดเราเลยครับคือไม่ต้องคิดไปไกลคิดแค่ว่าอ๋อเอาเอาท่านี้ได้อ๋อตอนนี้มันดีแล้วนะอะไรเงี้ยก็เราก็มีแผนแต่ว่าไม่ไม่ได้เชิงว่าแบบต้องรวยต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่มีความสุขกับอาชีพแล้วก็ปฏิบัติรักษาศาีลไปได้ในแต่และ วันแต่ละเดือนนี้ก็มีความสุขมากแล้วครับเีมากเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ต้องต้อ ง, องไปทำไปเรื่อๆนะครับก็เห็นสังคมว่าเออปฏิบัติไปมันก็พากันล่มจมครับพวกเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจไม่พอเพียงของต่างชาติแต่ละประเทศเขาก็มีคติของเขาแต่ส่วนใหญ่มันใช้ไม่ได้ครับมันสู้หลักของพระเจ้าไม่ได้ครับได้หลักใ จ, ใจสำคัญแก้วหลักกาย ก็พยายามรักษาหลักใจแล้วก็ทําตามแนวทางพระอาจารย์นะครับแล้วก็พี่ทุกคนครับาตามก็ไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปมันไปก็น่าจะวางร่างกายไว้ได้ดั่งผลความพอเกิดการลาค้างแล้วก็พิจารณาแบบบึ๊บดึงภาพขึ้นมาแล้วมันก็หายอ่ะ ด, ดึงภาพขึ้นมาแล้วก็ดึงภาพปุ๊บดึงภาพขึ้นมามันก็หายอ่ะต้ อ, อทงทําบ่อยๆทอยังไงถ้ามันไม่เกิด <ś> ยากไปเลย ต้งขยันหน่อยต้องหมันพิจาณาสุภาษิตด้วยเนยครับอาจารย์โอเคนะขอบคุณครับตอนนี้กลัอ่าคุณหมอสุทธิชัยนรมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะอดูไม่มีคําถามเจ้าค่ะแล้วปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่นะยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะโอเคแล้เจ้าอ่าไปดิคุณหมอหน้าเท่าวยคุณน้อ กับมาพัสดการพรอาจารย์ครับเป็นยังไงก็สบายดีครับง<อ>านก็ยังง้นบลยอยอู่พยายามตัก่อไปบ้างแล้วครับน่าจะค่อยค่อยน้อยลงครับช่วงปปีผมก็ไม่ได้รับงานอะไรแล้วครับที่ว่าจะออกปฏิบัติครับก็ก็เลยไม่ไม่ได้ปฏิเสธไปหมดแล้วครับตรงเด่นหน้าก็น่าจะน่าจะมีอยู่ทั้งวันก็ยัง แต่ว่าน่าจะน้อยกว่าพี่นะครับที่ผมมาฟังอาจารย์เรื่องของการปฏิบัติถ้าใจเราไม่ลงถึงฐานเนี่ยเวลาเราปล่อยวางว่าจะปล่อยวางไม่ได้ครับอาจจะปล่อยได้าอาจจะปล่อยไม่ได้หมดครับนี่ก็คิดว่าถ้าถ้าเราไปรอให้ปฏิบัติแล้ไปหวังว่าได้สมาธิให้มันดีตอนนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ก็เลยคิดว่าช่วงระหว่างเนี่ยตอนที่เราเตรียมตัวการออกปฏิบัติเนี่ยเรา น่าจะทำยังไงขออุบายพระอาจารย์ให้ให้ให้ให้มันได้ถึงสมาธิให้มันได้ได้ในโชคงที่เรายังเป็นอ่ายังยังต้องทำงานทำอะไรอยู่นะครับก็มันยากอ่ะเราต้องยอมรับความจริงอ่ะว่ามันมีอุปสรรคเยอะันไห้เอื้อต่อต่อการทำใจให้สงบกายต้องวิเวกจิตถึงงยอะวิเวกได้ ก็อถ้ากายยังอยู่ท่ามการของรูปเสียงกลิ่นรสผลท่าผอยู่มันก็จะถูกพวกนี่คอยเหนี่ยวล้างจิตใจไม่ให้เข้าสู่สู่ฐานได้คยังต้องไปเปกไม่เวกกันนะคงัน้นก็อย่าไปคิดถึงทางลั่นไปไม่ต้องรีบด้อนนะทําไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนคป็นการเหมืนก็บเราขัดรถเน่ะบางทียังติดอยู่ใต้ยังขึ้นทางเด่วนไม่ได้ก็ขับไปบติดไฟแดงมั่งติดบถนั่นติดนี่มั่งก็ติดไป ครับทําไปเท่าที่เราทําได้อืจนการเราจะสามารถขึ้นทางด่วนได้แล้วทีนี้มันก็จะได้ไปได้เร็วขึ้นคแต่ขึ้นแล้วเราได้จะไปได้ใช่ไหมครับได้กลกวว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวพไม่มีเอไม่มีมันเข้าสมาธิเข้าอะไรเกิดไปปฏิบัติแล้วมีสติแล้วก็เข้าไม่ได้สทีมันก็อาจจะทําให้ก็อยู่ที่การกลัมาการปฏิบัติว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่แต่ปฏิบัติพอเพียงหรือไม่วันนี้ขึ้นทางด่วนแล้วแทนนี่เหยียบ ก็กลับไปทําแบบสบายสบายเฉยเฉยเองนะครับใช่กลับไปครับก็น่าจะก็เป็นความเพียรต้องถึงพร้อมถ้าติดน้องตัดพร้อมค่ะถึงพร้อมันก็จะมันก็จะมันก็จะเพอผมรู้สึกว่านั่งก็จะสงบเวลานั่งสมาธิแต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็แค่ก็แค่รู้ว่ามันสงบแต่มันไม่ได้แบบจับจิตจับใจอะไรขนาดที่จะแบบเป็นแบบสุขอีกครับฮะ ใช่ครับมันยังมีความต้องใช้ความคิดออกไปใช่ไหมมันก็ยังช่วยในุกความา ก, ก็โลกครับเอ่ต่อไปไ ม, มีงานทําความคิดมันก็จะน้อยลงไปงครับครับจะต้องรอถึองตรงนั้นช่วงนี้ก็ปรับระดที่ปรับรักษาระดับที่เราอยูนะ่อย่าให้มันลดต่ําลงก็แล้วกันครับนะแล้ว<ต>ผมขึ้นสูง<ห>ไม่ก็อย<ด>่าให้มันสงบเหมือนจะาเคยเคยไปบวชแต่นั่นมันมันมันเยอะ มันมันอิ่มมากกว่านี้แต่ตอนนี้ันก็น้อยลงไปแต่ว่านี่มันไม่ได้หายไปเถอะแต่ว่าเราเข้ากับเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะว่าปฏิบัติเราปกติเราปกติเรากําลังน้อยครับความอยากเรื่องความคิดมันมีกำลังมากกว่าครับครับแต่เราพยายามทําไปครับตรงนี้ก็เคยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองเอาจิตให้มันอยู่กับปัจจุบันอืให้มากที่สุดเท่าที่จะ ตลึกได้แล้วก็กา ย, ยก็ใงใจครับนะครับแต่ ว, ว่าลูกอยากคิดครับนะฮะช่วงถ้าจะต้องเตรียมงานก็กาอาจจะต้องคิดก็คิดไปแต่ว่าถ้าหยุดได้ก็ ok จะอยู่กับกายแล้วเดี๋ยวเราถ้าไม่จำ<บ>เป็นถ้าไม่จำเป็นต้องคิดก็อยากคิดครับนะครับครับช่วงนี้เดี๋ยวถ้างานน้อยลงน่าจะไม่ต้องไปโก้แต่มันจะทําไม่ค่อยทันก็จะจะไม่มีเวลาได้หยุดก็จะมันก็จะไปใหญ่เต็มครับท่านงานน้อยลงน่าจะพอจะหยุดก็ลองมาดูครับ ก็ต้องเตรียมนิดหนึ่งไม่งั้นถ้าเข้าไปเลยอาจจะมันทักดิบหรือาอาจจะไม่ค่อยปรับตัวเข้าไปครั บ, ร บ, รบเดี๋ยวมาฝากอาจารย์ครับว่ายางไคบค้าดอ่าไปนี่คุณคันชิต่อคันชินอยู่ที่ไต้หวันนะ มอไต้หวันตอนนี้เจอพายุหลายลูกก็ใิครับก็หน้าหนาเราเริ่มต้าหนานะครับก็พูดดังๆหน่อย้นะเสียงคล้อยไปหน่อยอ่าก็ว่างแค่ๆหน่อยครับตรงนี้ก็มีฝนครับมีฝนแล้วก็หน้าหนาวนะครับเต้าหน้าอาอืมเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวฝนหมดก็นหนาวแล้ว ยัไม่คิดจำคงไทยเลยครับจำนะครับแต่ทำงานทำเสร็จกาครับจดไหมว่าอาไมาพูดใกล้ใกล้ปากมาไม่ค่อยได้ยินครับ ต, ตาอยูครับตามดูวาทำทำงานทำเสร็จั้งที่ใจตั้งคิดไว้ก่อนครับ ัคร <Okay>. ับโอเคอาจารย์ในการะครับเข้ามาถึงอาจารย์วันค่ะโอเคสาธุคุณชนะดาอยู่ที่ไหนสวัสิประกันน่ะสิราช่ากัรนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่สุประการเจ้าค่ะค่ะ เึินกลับมาวันนี้ค่ะพ่อจาย์ค่ะก็ไปอดอาหารครั้งที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองอีกอะค่ะพ่อจารย์ได้ผลดีแล้วมันก็มีอะไรเอ่อที่มันก็มีอะไรที่ที่มันแปลกขึ้นนะคะมันมันมีเรื่องที่ที่เราไม่เคยเห็นนะคะพ่อจารยท์ที่เราได้เห็นนะคะก็อ่าเรื่องตัวผีก่อน เรื่องกลัวผีเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ไปนอนโรงแรมใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วตอนนั้นก็นั่งสมาธิตอนท่ามกลางที่กลัวผีแล้วก็ฝ่ามันไปได้อะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วความรู้สึกตรงนั้นเนะ่ะ เออมันก็ไปที่เขาด้วยเพราะตอนขึ้นเขาอะก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดอะค่ะพระอาจารย์ลูกก็คิดอยู่เสมอตอนนั้นยังไม่เคยขึ้นไปพักเรือนเจ็ดนะคะก็ะยังคิดอยู่เสมอว่าอเอยเรือนนั้นมันดูโดดเดี่ยวเนาะแล้วมันก็บางคืนคงจะมืดหน้าดูอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วนันคงจะน่ากลัวเลยลูกก็ลูกลก็เคยคิดแบบนั้นนะคะพอไปรอบเนี้ยลูกก็ปิดไฟอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ไม่เปิดไฟเลยจะเปิดแค่ไฟฉายดูนาฬิกาเท่านั้นนะคะพระอาจารย์ เข้าห้องน้ำอะไรก็ไม่เปิดก็คืออยู่แบบอย่างนั้นเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันอยู่ได้สบายมันไม่มีมันก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์ที่เราได้มาจากที่เราไปพักโรงแรมที่น่ากลัววันนั้นมันมันมันมันมาถึงปัจจุบันแล้วค่ะพระอาจารย์มันใจมันไม่มีไม่มีความกลัวไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้กลัวทีนี้พอมันเรื่องของการอดอาหารใช่ไหมคะก็ดื่มน้าเปล่าอย่างเดียวใช่ไหมคะพระอาจารย์ แล้วลูกก็ปักทงว่ายังไงลูกก็จะไม่กินสามวันเนี้ยลูกจะต้องทําไม่ได้เอ่อไม่ไม่ว่าจะยังไงก็จะไม่กินอะไรอยเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ช่วงวันแรกก็แบบเอ่อมันจะมีมึนหัวอะไรนิดนึงค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็ออ <c oughs> ลูกก็จะมีความเอกังวล น, นิดนิดเรื่องของความซิด ว่าว่าคือหมอเคยเจาะเลือดไปดูแล้วเขาหมอบอกว่าเราซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็กังวลเรื่องเลือดจางนิดนึงเหมือนกันแต่พอลูกกะจําที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ตายหรอกลูกเอารูปจําคําเนี้ยแล้วลูกก็ยึดไว้เสร็จแล้วเนี่ยวันคืนแรกก็นอนเยอะหน่อยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันก็จะมีความหิวเป็นระยะความความรู้สึกในลําไส้ค่ะในท้องอาหาะในกระเพาะเนี่ยมันมันมีความรู้สึกที่มันเหมือนที่เราเรียกว่าหิวอะค่ะพระอาจารย์ แต่มันเป็นอะไรที่เราทนได้จริงๆเราทนได้ค่ะแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้เป็นตลอดค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วลูกก็จิบน้ําใช้แค่จิบจิบน้ําเอาค่ะไม่ได้ดื่มเยอะแล้วพอพอทีนี้เนี่ยเวลา <c oughs> เวลาที่เราพยายามที่จะเออ่มีสติเออ่ภาวนาใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วมันจะมีช่วงเผลอมันมันลูกสังเกตเห็นแบบ คือมันเป็นนึกถึงเรื่องอาหารบ่อยมากเยอะมากซึ่งแล้วเมนูเนี่ยไม่ซ้ําเลยค่ะพระอาจารย์สพอพ อ, พอดึงดึงกลับมาที่สติตัวเองเอ้ยพอพอดึงกลับมาปุ๊บพอสักพักหนึง่งมันเผลอไปคิดถึงเอามันอ้อมไปก่อนด้วยนะคะพระอาจารย์หลังๆมันเริ่มอ้อมนะมันไปหาคนอื่นก่อนพอมันคิดไปหาคนอื่นเสร็จแล้วมันลงท้ายด้วยเราจะทําอะไรกินกันจะทำอาหารก็เลยไม่แสงปฏิโกร่ลง เมนูปฏิโกณนะมันไปทางเมนูตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วลูกเฮ้ยแล้วมันได้อะไรไหมเนี่ยลูกก็คิดนะว่าเฮ้ยมันได้แล้วมันได้ไไลกกดไดแล้ว ม, ลมันดึงไปตลอดเลยนะลูกก็แบบแต่แต่ยังไงเราก็ปักใจว่าเราจะไม่กินแต่ทําไมใจอะมันดึงไปอย่างนั้นตลอดแม้กระทั่งตอนที่เราแบบพอนอนสมาธิแล้วบางทีมันหลับไปฝันไปก็ไปเรื่องกินค่ะพระอาจารย์ไปเรื่องอาหารอามอย่อางมันดึงไปใช่ใช่แล้วแล้ว แต่ลูกก็ไม่ไปนะคะไม่ไป<อ>แล้วก็แล้วก็เดินจงกรมนิดหน่อยนั่งสมาธิก็ก็ได้เป็นคาปอาจารย์แต่เอ่อก็ได้เป็นพักๆได้ได้ได้ความสงบนานๆก็เป็นบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเ้าเรียกว่าอะไรกําลังเลี้ยวแรงอะค่ะมันเริ่มไม่ค่อยมีมันเริ่มไม่มันเริ่มหมดเลงมันเริ่มมันเริ่มลูกยังคิดเลยว่า เดี๋ยววันสุดท้ายจะมีแรงเดินลงจากเขาหรือเปล่าแต่มันแต่มันก็มีแรงนะคะแต่ลูกกับก็มันเ อ, อลูกกับได้ได้ได้ไดฉุกคิดเรื่องของปัญญาซึ่งไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมอะค่ะพระอาจารย์ลูกได้คิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือกิเลกกิเลส ท, ท, ที่ที่ที่มันอยากกินนะคะพระอาจารย์ <c oughs> เรื่องกิเลสอ่ะมันไม่ใช่เรากิเลสมันทํางานตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ เราได้เห็นได้เห็นตอนที่มันนึกถึงอาหารนึกถึงอาหารนั่นคือกิเลสมันทํางานเป็นธรรมชาติของมันถูกไหมคะพระอาจารย์แต่มันไม่ใช่เราถ้าเราไม่ตามมันไปก็ได้ใช่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ใช่ลูกๆก็เลยมองหอนี่ไงแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับของมันเองเป็นธรรมชาติของมันลูกๆเข้าใจว่ปนงนี้นะคะพระอาจารย์ถ้าเราม่ไม่ไปตามมันเดี๋ยวมันก็ไม่มาชวนเราค่ะ ค่ะพระอาจารย์เพราะลูกลกมาคิดได้ทีหลังนะคะเพราะว่าตอนลงจากถามไปแล้วถึงมาคิดได้อ๋อนี่มันเป็นนี่ไงมันไม่ใช่เรามันมันเป็นเรื่องของมันกิเลสมันมีของมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะพระอาจารย์เพราะจิตเราอะตั้งมันแล้วว่าเราจะไม่กินไงแต่ว่าความคิดในในในในจิตอะไรของมันปรุงของมันมันไปของมันเองอะไรเงี้ยค่ะเออลูกก็มาได้ตอนหลังเออเฮ้ยใช่ใช่นี่ไงเขาให้เห็น ถ้าเห็นไตรักไงว่าแบบเกิดดับเกิดดับแม้กระทั่งกิเลสก็เป็นเช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็มาคิดได้ตอนหลังค่ะ ไ, ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าถูกต้องทุกเกับทุกเอ่อทุกอย่างไหมกิเลสมันทําให้เราทุกข์ไงพอหิวพออยากเข้ามันก็ทุกข์ขึ้นมาค่ะคะภะาจารยพอมันดับพอ <Okay. S 2> พอมันหยุดความทุกข์ก็หมดไปให้ไปค่ะภาจาค่ะลูกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแบบขึ้นไปอีกอะ่ะลูกก็จะปวดอาหารอีก ล, ลูกจะดูอีก ตัวอย่างค่ะ <นำ S 1> แต่ว่าไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าพระอาจารย์ชี้แนะลูกโบสถ์ชี้แนะลูกนิดนึงอะค่ะว่าขึ้นไปถ้าแบบลูกมีความ อ, อ่อนอ่อนแรงอย่างเงี้ยเ อ, อ่อแล้วลูกควรจะยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะไม่ไว้ไไวก็นอนหน่อยก็ได้นอนพักบ้างก็ได้ค่ะพระอาจารย์อ่าอย่าไปฝืนมันถ้าเราฝืนไม่ได้ก็นอนมันดีคว่าอ๋อค่ะพระอาจารย์ มันอยากถ้าเราฝืนได้บางครั้งให้มันลุกขึ้นมาเดินจงกมได้เราบางครั้งมันเดินค่ะอาจารย์อืมค่ะมันเดงกรมันจะทำให้เรามีสติหน่าจะมีกําลังแรงกลับขึ้นมาก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็จนถึงถึงวันเนี้ลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าลูกมีเอ่อมีสติง่ายขึ้นนะคะอาจารย์มาถึงว่าเวลานี้ยค่ะประมาณ ถ้าเรามีโอกาสได้ฝืองมากขึ้นบ่อยขึ้นทัตติมันก็จะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นค่ะในนี้ลูกลูกกําลังวันนั้นลูกฟังคลิปพระอาจารย์ลูกได้ยินพระอาจารย์บอกว่าให้พุโทโธถี่ๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เนื่องด้วยอารมณ์เก่าของลูกอะ่ะมันพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปกับลมหายใจอยู่ตัวมันติดกันมันติดกับลมหายใจอยู่ในเวลา ในเวลาช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ค่ะแต่ลูกก็อยากจะเรียนรู้ที่จะพุโทโธถี๋อ่ะค่ะพระอาจารย์เพราะลูกได้ยินสองรอบแล้วลูกคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นอีกอี ก, อ, กอันหนึ่งที่จะเอ่ออเามาลองเออถ้าเกิดแล้วน่าจะเจ็บแล้วปวดเน้่ยบางทีใจมันอยากจะไปะให้ความปวดหายไปถ้าเราใช้พุโทโธไม่ถีมันก็ยังจะแวบออกไปหาความเจ็บได้เราก็ต้องบริกรรมให้ถี่โดยทิ้งลมไปเลยไม่ต้องไปผูกไว้กับลม ค่ะอ า, าจารย์ค่ะออเถ้าเราพูดโทพูดโทพูดโทสี่เขามันก็จะไปไ ม, ไม่ไม่ไปคิดถึงความเจ็บพอเมื่ไปคิดถึงความเจ็บความอยากให้มันหายเจ็บมันก็จะไม่เกิดค่ะใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บอค่ะอ า, าจารย์ค่ะลองทอําดูก็ได้ถ้าเวลานั่งเราเจ็บนะค่ะอ า, าจารย์ค่ะและ้วเอทุกวันนี้ก็แบบ อยู่คนเดียวเยอะมากเลยค่ะพาา่อาจารย์อเ่ไปถ้าถ้าจะไปก็คือลูกค้าแค่นั้นเองค่ะพ่อาจารย์แล้วช่วงช่วงที่ไม่มีงานเออ้าเรียกว่าอะไร ง, งานมันไม่เหมือนเดิมมันน้อยมันมันติดมันอะไรเงี้ยจนลูกแบบเอออ่าไม่ไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ไม่ให้ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ได้ด <laughs> อะไรเงี้ยก็อยู่อยู่ตามตามีตามเกิดที่ที่มันต่อแล้วคือมันโดนสบายใจกว่า ไช่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่มีไม่ให้ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยไม่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ดีนะคะเราก็แบบว่าก็ไม่ต้องไปสนใจมันอนาคตก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องสนใจไม่เอาอะไรเลยค่ะคระอาจารย์แล้วมีแล้วไม่มีแบบว่าเอ่ออะไรนะเอลูกอ่ะเป็นเอมักจะมีรางสังหรณ์คือบางทีจะฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนจะเกิดหรือหรือจะมีอะไรทัด จริงจบทักเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยอยู่อยู่ประจําสม่ําเสมอก่อนหน้าเนี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะยึดที่ฝันเพราะว่าฝันแม่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังลูกก็เลยไม่เอามืนเลยไม่เอามันเลยไม่ไม่สนใจมันเลยมันจะบางทีมันจะฝันว่าเออมันเป็นเรื่องที่เรื่องร้ายที่มันกําลังจะเกิดนะมันหรือเป็นเรื่องที่เราจะผิดหวังนะนี่เงี้ยมันจะมันฝันก่อนอย่างเงี้ย ลูกก็ตัดวางไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เอาไม่สนมันเจอช่างมันลูกก็ไม่สนไม่เอาเลยเลยค่ะพระอาจารย์หรือเขาสึกว่าอยู่แบบเ ป, เปล่าๆโล่งๆไม่เอาเลยเลยอ่ะมันดีที่สุดเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์ได้ครับนีนกก่บาลังปรมามังศูนอย่างจิตว่างจากเรองราวต่างๆค่ะพระอาจารย์แล้วมันแล้วมันก็สบายจริงๆอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วแล้วแต่ตอนเนี้ยลูกก็แบบว่า ทำสมาธิบ้างแล้วก็ลูกก็ดูซีรีส์บ้างนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก็จะเป็นเรื่องเดียวอะค่ะลูกก็สลับกับการทําสมาธิ mm hmm. <laughs> แต่แต่ดูซีรีส์ก็เห็นก็เห็นแบบเอศัอกพัชเนาะห้องเตะค่ะก็มี mm hmm. มาเหส่สีมีสนมลูกก็ดูดูแบบว่าดูแบบพิจารณาทําไปด้วยค่ะพระอาจารย์ในซีรีส์น mm ั hmm. ้นนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วลูก <laughs> แล้วลูกก็บอกเนี่ยก็รักกันมานะเออพระ เอห้องเต้กับมาเหว่สีเลิกกันตั้งแต่เด็กๆเลิกกันมาดีเนาะอุแต่จริงๆอ่ะให้ดีเป็นผู้หญิงที่ดีแค่ไหนก็สู้ผู้หญิงใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าข้าสนมองห้องเต้เนี่ยเยอะเหลือเกินมาใหม่เรื่อยๆรืยๆลูกก็ดูแล้วลูกก็พิจารณาทำไปเรื่อยทุกทุกอย่างทุกอะไรเงี้ยค่ะลูกก็ดูไปแบบอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์เสร็จแล้วลูกก็ค่ะอย่างไม่เที่ยงนะแต่ใช่ลูกก็เอาเอาประโยชน์จากการดูซีรีส์เนี่ยค่ะเอามาพิจารณาด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อจย์ลูกก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเออมันจะเป็นการดูอะไรอะไรบันเทิงอะไรนะการการละเล่นบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยศีลข้อไหนลูกก็ไม่ได้ก็ลูกก็ไม่ได้อยากจะคิดมากแล้วค่ะลูกก็จะดูแค่ว่าเออเราดูแล้วมันเราเราได้อะไรจากตรงเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะพ่อจย์เพราะเราอ่ะก็บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเรายังยังติดเรื่องความรักเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยเราอยากจะมีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลูกเอาพวกเนี้ย ก็ใช้ประโยชน์พิจารณาดูด้ว ย, วยพิจารณาเรื่องของเราไปด้วยเรื่องอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เราทิ้งนื้นอเออเน้อก็มาตอนนี้ก็มาทดแทนทิ้งเราที่เราทิ้งไว้ค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์เอาทิ้งหมดจะ่าไปเอเรื่องใหม่เข้ามาค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะให้มันว่างให้มันเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะะอาจารย์อะไรค่ะตถองถือศีลแปดเนี่ยเพราะถือศีลแปดมันก็ดูพวกนี้ไม่ได้ ค่ะค่ะพอาจารย์ค่ะมันเหมือนยังเป็นที่วอนเนี่ยมันยังขวางการทําใจให้สงบอยู่ค่ะพรอาจารย์มีมีมีความเหงาอยู่มีเหงาเงาอะไรเงี้ยยังมีอค่ะพระอาจารย์อไม่สงบในใจไม่สงบก็เลยเหงาค่ะพรอาจารย์มือจต้องเหงาต้องทําให้สงบไม่ใช่ไปดูของแกงเหงา <laughs> ดูของแกงเหงาเดี๋ยวมันก็พอมันหมดก็ต้องไปหาอย่างหนึ่งมาแทนกันเองซีรีสที่หมดก็ต้องไปซีรีสใหม่มาดูต่อ คาถาจารย์เข้าใจค่ะเข้าใจอย่าอย่าไปยก้ปัญหาด้วยการไปหาของมาแก้ต้องแกาด้วยการทําใจให้สงบนะคาถาจารย์ค่ะได้คาอาจารย์นรับรับคาอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันที่เออ่ประมาณวันจันทร์ที่สามสิบจะาลูกค้าไปใส่บาตรค่ะพอดีลูกค้าที่แบบเขาอยากไปใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะใช่นี่จชร์นค่ะนี่ตั้งรับเสมอค่ะค่ะรับทุก อาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าไปที่คุณหน่อยชายนิสหายหน้าไปหลายเดือนเลยนะเป็นเดือนน้องนี่กลับมาเทศการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินเสียงหน่อยชัดไหมเจ้าค่ะชัดเจนนะชัดเจนค่ะจริงๆฟังพระอาจารย์อยู่ข้างนอกค่ะแล้วปรับ <laughs> กินเหล็มยังผ่านความเจ็บปวดไม่ได้เจ้าค่ะ ตื่นเช้ามาพอมีสติก็จะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเลยเจ้าค่ะก็คือเหมือนกับพอมีสติปุ๊บเหมือนปัญญามันจะเด้งขึ้นมาเลยเจ้าค่ะพระจา์ก็มองว่าเังใารความผิดปรุงแต่งในสังขารร่างกายค่ะพอตื่นเช้ามาถ้ารู้สึกว่าอตอนนี้เราทำอะไรอยู่เหมือนอยู่กับปัจจุบันนะเจ้าค่ะก็จะตื่นขึ้นเลยค่ะก็จะไม่งัวงเงียก็จะแบบว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองไปตามกิเลสเจ้าค่ะ ก็จะเตะขึ้นมาเลยเจ้าค่ะก็พยายามเจริญสติอย่างที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะเพราะว่าชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินเจ้าค่ะแล้วนั่งสมาธิได้ไหมอ่าถ้าวันไหนสติดีจะนั่งได้นานเจ้าค่ะแต่ถ้าวันไหนลืมลืมตั้งแต่เช้าลืมที่จะเจริญสติอะค่ะมาได้ช่วงบ่ายอะไรเงี้ยก็จะนั่งได้น้อยเจ้าค่ะก็สวดมนต์เป็นการ รุ่มุ่มดันดอนเจ้าค่ะก็จะเป็นสวดมนต์แทนเจ้าค่ะได้ถ้ามีสติก็นั่งสมาธิได้นะเจ้าค่ะก็เหมือนเหมือนรู้ตัวเลยจ้าค่ะถ้าวันไหนไม่มีสตินี่คือรู้เลยว่าตัวเองไม่มีสติก็จะสวดมนต์แทนแต่ถ้าวันไหนมีสติเจ้าค่ะก็คือมีเาวแล้วก็พอนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเหมือนเป็นการสวดมนต์โดยอัตโนมัตินะจ้าค่ะก็จะได้สวดมนต์ได้เจ้าค่ะ <Okay. S 2> สวดไไม่ได้แบบนั่งสวดอย่างนี้นะคะก็คือหลับตาสวดเหมือนห้องพุทโธอย่างเนี้ยจ้ะคะ่ะใช่ใช้แทนกันได้จ้ะคะ่ะก็มีประมาณนี้จ้ะคะ่ะก็หน่อยอจะไม่ได้เข้ามาจ้ะคะ่ะเพราะว่าเห็นพระอาจารย์ลูกสิทธิ์เยอะหน่อยก็เลยไม่ค่อยเข้าจ้ะคะ่นะาจะฟังข้างนอกนะ ค, ะะคะ่ะจ้ะไม่ดีสาธุจะ้ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วจ้ะ ค, ะะ ค, ะค่ะพระอาจารย์สาธุปฏิบัติต่อไปนะ อ่ะไม่ไม่แพ้จ้ค่ะยังไงก็ตโอเคไปที่คุณจอยตอคุณจอยเป็นยังไงเมื่อเช้าใส่บาทนุกงชายเมื่อเสกไม่งวงอ่ะนะเมื่อเช้านี้ได้ยินไหมคะได้ยินจะ้ะอ๋อเมื่อเช้าไม่ใส่บาทไม่ง่วงคะ่ะนี่ยังยังอยู่นนเคือกเนีย่ยังไม่นอนเลนะหนูว <laughs> ่า <laughs> อ่าเออดี ฝึบไปเรื่อยๆตไปก็ชินนะต่อไปก็เช้าวันนะก า, นานก็ตื่นปุ๊บไปเลยเขาเออเขาเขากลัวอยู่เขาเขาบอกว่าน้ํามันจะท่วมโลกเขาบอกอยู่เขายังน้อยอยู่เลยเขากลัวว่าจะต้องตายเวลาฝนตกแล้วแบบพี่สาวเขาอยู่เชียงรายน้ํามันท่วมเยอะค่ะ อ, าอ่าแล้วเป็นยังไงลูกสาวเดือดร้อนไหมไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงเชียงรายไม่ถึงมอไม่ฟ้าหลวงค่ะโอเคอยู่รอบๆอบนอกค่ะอืมพี่าวค่ะเออแม่เขาฝาก เงินทำบุญใส่บาตรหรืออะไรแต่เขาไม่ได้ไปด้วยแต่เขาก็ยังได้บุญใช่ไหมคะถ้าเป็นเงินของเขาเขาก็จะได้บุญเขาอยากมาแต่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่ก็เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำตามทําเท่าที่ทําได้เขาถามหรือว่าไปใส่บาตรหลวงตาพระจ า, างบอกว่าดีแม่ก็เหมือนเดิมมาแหละก็เลยบอกให้เขาว่างก่อนให้เขาได้ไปฝากเงินสมทรายฝาเของมาใส่ได้ได้บุญเหมือนกันค่ะส่วนตัวหนก็ปฏิบัติอยู่แต่หนูก็ เขเรียกอะไรชอบมีคนมยุ่งกับหนูแต่หนูก็คิดคิดบ้างแล้วหนูก็ใช้ความมาฟังบ้างช่วยให้มันมีสติขึ้นนะคะความเย็นเย็นปล่อยเข้าไปก็าอยาจะทําอะไรก็เลยของเขาไปค่ะอ่ะมาคุยเ อ, อาเรื่อเป็นยังไงยังไม่นอนนะครั บ, บพูดสิพรุ่งนี้หนูจะไปข้านศึกษาไปเลยนะครับไ ป, ไปข้างศึกษาครับไปข้างศึกอ๋อไปเลยทัตนาศึกษาเลย อ่าไปที่ไหน่ะเขาบอกว่าเปล่าไปที่ไหนเ้าเขียวค่ะเข้าเขียวอ๋อสนสานไปดูไอ้หมูเด้นไหมไอ้หมูเด้งใช่ไหมอยากจะดูนะอ๋อมีบอกพระาจารย์เด็ดสุสาอเขาชอบตอนที่พระาจารย์พูดภาษาอังกฤษเ้าบอกว่าอยากพูดบ้างก็ไปฟังเรื่อยๆเด็ดไปเข้าไปฟังเรื่อยๆต่อไปก็กพูดได้เขาเาฟังเขาบอกแม่พระาจารย์พูดภาษาอังกฤษด้วยเขาเขาเลยชอบชอบ ก็ตั้งใจเรียนหนังสือเวลาครูสอนภาษาอังกฤษก็พยายามเรียนเดี๋ยต่อไปก็ต่อไปก็พูดได้โอเคนะทำาานได้นะเด็กแล้วเด็กพวกนี้ต้องไปโรงเรียนต่อไม่ใช่เลยรันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่านี่ไโรงเรียนหรือเปล่าไปนีไปทันน่ยใส่บาทสีใกล้ไปเลยค่ะพันพอดีค่ะโอเคโอเคค่ะต่อไปนะอะ อ่าคุณติอ่าคุณคุณพันชัยเหรออ่าชื่ออาจจะผิดชื่ออะไรนะพันชัยครับเก่าหนุ่มสิบแพระอาจารย์ครับออยู่ที่ไหนอยู่ที่สมุทรสาครครับอมีอะไรไหมก็เข้ามาฟังธรรมครับก็ฟังธรรมาพระอาจารย์เกือบทุกวันครับเวลาขับรถตอนไปตอนกลับหรือมีใครขับรถปานหน้าเยงี้คก็จะเปิดธรรมมาพระอาจารย์ฟังครับอใจเย็นลง แต้ครับช่วยมได้มากเลยครับอื ม, อมดีครับขอบคุณมากครับอ่าจไม่มีคำถามเลยนะไม่มีครับยังไม่มีเลยครับโอเคครับไปที่คุณจี๊บต่อจี๊บแมริแลนด์จี๊จคนสุดท้ายแม่หมนะัดสการครับอาจารย์ยขอโทษที่ยอมปิดหน้าจอแบบยุง่งยุ่งมากเมื่อกี้แบบเหมือนมีบททดสอบสั่งอาหารให้ออฟฟิศนะคะมีพนักงานประมาณสิบหกคนสั่งไปเสร็จปุ๊ ยังไม่ถึงหานาทีเลยพระอาจารย์ออเดอร์ถูกยกเลิกยมก็ฮะถูกยกเลิกแล้วที่เขาใส่แบบข้อมูลรายละเอียดชั้นจเจ้าวันนี้เหมือนกินสลัดนะคะพระอาจารย์อเอาวันนี้เลือกอันนี้เลือกอันนี้เลือกกันแบบคนละสิบอย่างเงี้ยยมก็ตายยกเลิกหมดเลยและยงก็<ร>ทำเขาเราทำอาหารเนยไม่ใช่ค่ะยมทําเป็นพนัก ง, งานแบบออฟฟิศแม่เนตพนักผู้จัดการแบบเหมือนแผนกบริษัทอาหารครัแบบคือเป็นเป็นศูนย์กลาง แล้วเราต้องจัดใช่ค่ะวันทุกวันอ่าพูดพระหัสอ่ะค่ะมันช่วงหน้าภาษีเขาจะมีเขาจะมีจัดให้ฟรีอะค่ะบริษัทจัดให้แลครไปยกเรื่อะโยมสั่งหน่วยออเดอร์เหมือนเขาเหมือนขบงืองไทยก็จะเป็นแบบเขาเรียกไลน์แมทอะไรของบมืองไทยเหมือนเป็นแอปอะค่ะถ้าที่นี้ก็จะเป็นแอปใช่ไหมคะเราก็สั่งแอปไปปุ๊ปปุ๊๊๊ส่งลิงก์ไปให้แต่ละคนเลือกว่าเขาอยากจะเอาอะไรใช่ไหมคะ แล้วเสร็จแล้วโยมก็โอเคทุกคนครบแล้วสิบห้าคนอ่ะส่งไปปุ๊บโยกเลิกปับ๊บทันทีเลยโยมก็ทายแล้วใ่รโยกเลิกอทางทางศูนย์ของแอปอะค่ะศูนย์บริษัทที่เขารับออเดอร์ใช่ค่ะโ ย, ยมก็ถามว่าอา้าวเขาก็โทรมาเมื่อกี้โยมก็ถามคุณทำไมถึงโยกเลกิกบอกว่าเอาพอดีว่าร้านค้าร้านอาหารไม่ตอบรับคือยมบอก ไม่ตอบรับที่ยังไงคะเพิ่งส่งยังไม่ถึงห้านาทีเลยคุณจะไม่รอ้อยเขาตอบรับหน่อยเลยหรอแบบถ mm hmm. ึกส่งสมมติหนูโยมส่งไปถึงอันสมมติจะมันจะเป็นโยมเป็นมือซ้ายใช่ไหมคะ mm hmm. ตรงกลางคือแอปแล้วตรงขวามือคือร้านอาหารใช่ไหมคะ mm hmm. สมมติซ้ายส่งไปขวาตรงกลางยังไม่ทันส่งไปทางร้านอาหารไม่ทันรอทั้งไม่ไม่รอสัก5้าสินาทีคุณแคนเซิลเราแล้วอะโ mm hmm. ยมก็แบบโอ้ตายละ ก็ปรับหมดหายใจพังฝ่าอาจารย์ไปด้วยก็ยอมหยุดเย็นก็เลยเดี๋ยก็ลเลยแก้ปัญหาด้วยการไปทางแอปของร้านอาหารโดยตรงเลยอะค่ะแล้วก็ค่อยๆป้อนทีละอันทีละอันทีละอันใครเลือกข้าวใครเลือกผักใครเลือกเนื้ออะไรอย่าก็ค่อยป้อนไมค่อยป้อนอก็สําเร็จค่ะแต่เดี๋ยวแต่ปัญหาคือโยมจะต้องเป็นคนไปเอาเองแต่ถ้าเราให้เราผ่านทางคนกลางใช่ไหมคะเขาก็จะมาส่งให้อะไรเงี้ยค่ะ ยมกันโอ้ม่เป็นไรมันเอาเองก็ได้เพราะอยู่แค่ไม่ไกลไม่ถึงสิบนาทีเดียวยมขับไปเอาก็ได้ไรร้านอาหารเดียวกันเลร้านอาหารเดียวกันค่ะคือยมจัดให้ทุกคนสั่งที่เดียวกันมันจะได้แบบมาจากที่เดียวกันนะคะแต่แอปมันขี้ียจรอรอรับสายใช่ค่ะยมก็แบบปกติไม่เคยถูกยกเลิกเลยยมก็งงเพราะมันมันไม่ได้ใหญ่แบบสิบห้าเมื่อก่อนเคยสั่งยี่สิบคนก็มาส่งมาแล้วอะค่ะห้าคนไม่เกิน complain เลย ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ลุงก็แบบไม่คือมันก็ไม่ใช่ความผิดของพนัก ง, งานที่โทรมาหาเราใช่ไหมคะเพราะเขาก็เขาก็แบบทําตามหน้าที่เหมือนลูกค้าสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงก็เออช่างมาันเถอะก็ไม่ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วเขียนไปเขาก็เอาจริงๆนะคะอาจารย์าบางบริษัทเขาใหญ่มากเหมือนบริษัทที่เป็นคนกลางเนี่ยเขาใหญ่มากเขาไม่สนใจอะคะ่ะว่าเราจะเป็นสิ่งเล็กเสียงน้อยมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพราะยังไงเขาก็ยังได้รับการ ตอบรับจากลูกค้าคนอื่นๆที่มาใช้บริการเขายอมก็เออช่างมันเถอะเพราะเพราะบริษัทเขาบางทีเขาได้เงินเยอะมากเลยนะคะอย่างโยมสั่งอาหารไปสมมติสามรอยเหรียญใช่ไหมคะอาจารย์<ม>คนขับที่เขาเป็นคนกลางนี่เขามาส่งให้เราที่เขาเหมือนกับไอ้บริษัทกลางเนี่ยเขาก็จะไปจ้างคนอื่นมาให้ขับรถอีกทีนึงอะคะ่ะ<ม>แล้วคนอื่นที่ขับรถก็จะได้ทิปจากลูกค้าคือได้ได้ทิปจากโยมเนี่ยคะ่ะ แต่คนที่เขาเป็นพนักงานขับรถอ่ะเขาต้องออกค่าใช้จ่ายเองแต่เขาไม่ได้อะไรเลยนอกจากทิปจากลูกค้านะคะถ้าลูกค้าไม่ให้ทิปเขาก็จะได้แค่ระยะทางที่บริษัทตัวกลางเพราะค้าคนกลางอะจ่ายให้สูตรไม้นี่ใช่ค่ะไม้นึงเขาให้หกสิบเซนเนะคะค่าจ่ายก็คือได้แค่ค่าค่าขับรถโยมก็เลยแบบบริษัทพ่อคะคนการเขาได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งเปอร์เซ็นต์จากอาหารร้านอาหารด้วยได้ทั้งแบบ ค่าทำเนียมจากลูกค้าด้วยอค่ะโยมก็เลยไม่รู้จะคอมเพลนช่างมันเถอะก็แบบอย่างเงี้ยแหะน้องมือใครยาวขาสาวได้เขาเรียกอะไรนะคะมือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมคะอือใช่มันก็เป็นแบบมองเห็นแล้วแล้วโยมก็เลยจะทิปให้คนที่เขามาส่งจะเยอะๆหน่อยหลังเขาเยลยด็อกอิดด็อกด็อกอิดด็อกใช่ไหมคะห ม, มากินหมาอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ห ม, มากินมาหมาใหญ่กินห ม, มาเล็ก อ๋อใช่ค่ะใช่อาจารย์มันจริงๆอะคะ่ะโยมแบบอะไแบบเออเพอมาอยู่เมกามันจะเห็นแบบเขาเรียกเลยจะเห็นคนที่แบบ<อ>แบบไม่ยอมใช่ใช่ค่ะอาจารย์คือฉันมีสิทธิ์อะไรจันจะเรียกแบบเต็มที่ใช่ใช่จริงๆค่ะพอาจารย์แบบเอาทุกทุกอย่างจริงๆนะคะอา<ม>จรารย์ไม่มีความเมตตาไม่มีความเมตตาใช่ค่ะใช่ค่ะโยมก็พยายาม มองให้แบบสอนลูกๆแบบให้เขาเห็นว่าแบบเออย่างนี้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเรื่องอื่นก็จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็ก็ค่ะไม่มีอะไรประจามันก็เป็นไม่ใช่เรื่องของเราใช่มันก็เป็นบททดสอบใช่ค่ะก็ก็เรามีหน้าที่แก้ปัญหาแล้วก็แก้ไปออค่ะเราอย่าไปทำเหมือนเาว่แล้วกันใช่ค่ะใช่ค่ะก็พยายามพยายามแบบเออยากไปเป็นเหมือนคนอื่นใครที่เขา คนทุกคนอะดีมันก็มีดีค่ะไม่ว่าจะชาติไหนชาติอะไรหนูก็แบบมันก็มีดีเลีวปะปนกันเหมือนที่ในหลวงรอกาท่านท่านสอนไวน้ไงค่ะหนูก็แบบ อ, อืมค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะโอเคจ้นนะคี้ค่คะขอบคุณค่ะพระอาจารย์เหนื่อยแล้วขอบพระคุณมากนะคะกับขอบพระคุณค่ะบเมตตาเจ้าค่ะสาธุค่ะเนือเนื้อคุณลา้าคุณลาะมีอะไรคําถามกี่คาถาม กรับนมัส ก, การครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสคําถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะกรับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมพิจารณาความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมของอวัยวะของร่างกายสลับกับการมีสติตามดูลมหายใจเข้าออกจนรู้สึกยอมรับในความเป็นจริงของร่างกายนี้มีความสบายใจปลอดโปร่งไม่มีความทุกข์หรือกังวล ผมเกรงว่าผมจะไม่สามารถรักษาอารมณ์นี้ไว้ได้จนไม่อยากเอาใจออกไปรับรู้เรื่องภายนอกรบกวนพระอาจารย์ช่วยสอนว่าอารมณ์ที่ไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการที่ผมมีสติและเห็นความจริงหรือเป็นการที่ผมคิดปรุงแต่งไปเองควรแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติอย่างไรครับออครับมันยังมันยังเป็นขั้น ความคิดปรุงแต่งของเราอยู่เรายังไม่ได้เจอความจริงต้องไปเจอโรคมะเร็งไปหาหมอแล้วบอกเป็นโรคมะเร็งเงี้ยเราจะได้รู้ว่าใจเรานิ่งหรือไม่นิ่งถ้าใจเราไม่นิ่งก็แสดงว่าเรายังสอบตกอยู่คำถามต่อไปพระอาจารย์เคยสอนว่าอัปปนาสมาธิมีสองแบบ แบบแรกคือลงไปสงบเหลือแต่ตัวรู้ไม่รับรู้อะไรแบบที่สองคือสงบแต่ยังรับรู้ได้อยู่ผมขอสอบถามว่าการที่สงบแบบที่สองที่สงบและรับรู้ได้อยู่จะต้องผ่านการสงบแบบแรกคือไม่รับรู้อะไรก่อนหรือไม่ครับไม่หรอกมันมันลงไม่ลึกเท่ากับแบบแรกแบบแรกมันลงลึกกว่าแบบที่สองมันมันลงพอ ทำให้ใจเบาใจสงบใจไม่วุ่นวายอันนี้แล้วแต่มนันเราบางทีบา ง, บางครับแบบไม่ได้มันจะให้มันเป็นแบบไหนเราไม่น้าที่จเจริญสติฝึกสติก็ฝึกไปส่วนจิตจะรวมรว ม, รวมลงเลิกเลิกไม่เลิกก็ น, นี่ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันมีประโยชน์เท่ากันคือทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆคำถา ม, ถามต่อไป การที่มีพระสอนการปฏิบัติธรรมที่ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะอธิบายให้เพื่อทราบโดยจะอธิบายตามความเป็นจริงว่าพระรูปนั้นสอนผิดอย่างไรจะถือว่าเราตำหนิพระและจะบาปไปครับก็ไม่รู้และ ว, ว่าเรามีเจตนานหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเจตนานก็ไม่น่าจะบาปถ้าเรามีเจตนานที่จะบอกให้คนรู้ว่านี่เป็นไม่เป็นการสอนที่ผิด แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นการสอนที่ผิดหรือไม่บางทีถ้าเรายังไม่เป็นผ้าแล้วนี่เราอย่าเพิ่งไปยู่กับเรื่องของคนอื่นจะดีกว่าคำถามสุดท้ายพระอริยะชั้นโสดาบันมีศีลห้าที่บริสุทธิ์ซึ่งถือจำนวนศีล น, น้อยกว่าคารวะที่ถือศีลแปดผมจึงเข้าใจว่าหลักการเป็นอริยะ ขึ้นอยู่กับการละสั่งโยดและความบริสุทธิ์ของศีลไม่ได้ขึ้นกับจํานวนข้อของศีลที่ถือผมเข้าใจถูกต้องไหมครับคือศีลของพราริยนี่มันศีลถาวรศีลของปุทุชนนี่ยังเป็นศีลแบบชั่วครั้งชั่วคราวอยู่บางเวลาก็รักษาบางเวลาก็ไม่รักษาแต่ของพระริยนี่ท่านรักษาตลอดเวลาค่ะ<า>อุมาเนโอเค นะหมดแล้วเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิย์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอ